บท 66. ที่หกสิบหกพรใหญกัดริมฝีปากเบาๆหันไปมองหน้าบุญคำอีกครั้งแกกำลังจ้องเงียบเงียบมาที่เขาด้วยสีหน้าอันปราศจากสีเลือดอยู่เช่นเดิมเขากว่าตามองขึ้นไปยังส่วนสูงตระงานของกิ่งก้านสาขาที่ดกไปด้วยใบเรากับจะเป็นพุ่มฉัดมหายักษ์มีต้นไม้ขนาดย่อมและเป็นเถาวันขึ้นแซงอยู่ใกล้เคียงประหนึ่งบริวาร แล้วบังเกิดอาการขนลุกเกลียวด้วยสัมผัสประหลาดประหลาดหันมาฝืนยิ้มให้ตาพรานเท่ารางเอื้อมมือไปแตะของเหลวสีแดงคล้ำที่ไหลค้นเป็นทางลงมานั้นมากขยี่ดมดูโหก็ยางตะเคียนนั่นแหละบุญคำนายเคยเห็นยางตะเคียนเ่ะว่ายางต้นไม้ชนิดไหนมาก่อนเนอะที่ได้มันแดงเถือกเป็นสีเลือดแบบนี้อ่บุญคาแย้งแผวต จอมพรานปาดนิ้วเช็ดกระยางไม้อันมีลักษณะเหมือนเลือดสดนั่นอีกครั้งส่งไปให้บุญคำดมพร้อมกับกล่าวเรียบๆว่าบ่อยไปที่ยางไม้มันมีสีแดงแบบนี้มันก็แล้วแต่ชนิดและสิ่งแวดล้อมของลําต้นมันโดยเฉพาะปรีนมันก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าเป็นยางไม้เลือดเลิอดที่ไหนกันบุญคาก้มลงดมมือเขาทาจำมูกฟุตฟิตแล้วเหลือบตาขึ้นมองศพ นายดมว่าเป็นอย่างไม้แต่บุญคําก็ดมว่ามันมีกลิ่นคาวเลือดอยู่นั่นแหละเสียงของแกเกือบเป็นกระซิบหรือไหลนาบุญคำเขาทําเสียงดุและตกไหล่โดยแรงไปไปไปตัดกันเถอะไม่มีอะไรหรอกพยักหน้ารังแขนบุญคําออกเดินพระออกจากโคนตะเคียนใหญ่ต้นนั้นเสียงบุญคําพึมพําอะไรอยู่ในคอฟังไม่ได้สับ ระพินเอาแขนข้างหนึ่งกอดคอเดินเคียงคู่มาด้วยกันอย่างปลอบขวัญกล่าวต่อมาว่านี่สั่งอะไรหน่อยนะบุญคํานายจะสั่งอะไรบุญคำเฉยเฉยเงียบเงียบใช่แล้วก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดให้พวกเราคนใดฟังทั้งสิน้นเมืเดี๋ยวจะขวัญเสียใะเปล่าเปล่าเชื่อใชนไหไม่มีอะไรหรอกแล้วบุญคำนั่นก็ลืมใะด้วยอย่ามวัวแต่กังวลอยู่เลย เฉยๆก็ได้นายแต่ไอเรื่องไม่คิดนี่เห็นจะไม่ไหวนะนายคืนนี้เรายังนอนพักกันอยู่ที่นี่ซะด้วยสิต่ลำพังบุญคำคนเดียวอ่ะเห็นเขาแบบนี้บุญคำห่อแนบและไม่อยู่แถวนี้ต่อไปอีกรอกเอ๊ะไหนว่าเราก็สิทธ์มีครูเหมือนกันไม่ใช่เลยเขาถามยำๆจตนาจะชวนพูดขบขันเป็นการปลอบใจแกแต่บุญคาไม่ขำด้วยสีหน้าเป็นทุกข์ มันก็ใช่หรอกนายสิ์มีครูแต่ครูคือพ่อของบุญคำเองอะ่ะก็ไม่เคยให้วิชาอะไรบุญคำไว้ให้ลองริดกระตะเคียนยักษ์แบบนี้นี่บุญคำนะปราบได้แต่ผีตาโหงผีโปรงผีปลาแต่นางตะเคียนน่ะมันคนละอย่างกันนะนายบทแม่ใจเฮี้ยนขึ้นมาแล้วก็สิบหมอผีก็เอามาอยู่เราไปร่ารานเขาก่อนนะนายพวกเราทำผิดเองนะนาย ก็ทำไมบุญคำไม่ทำวิธีบอกกล่าวขอกมาเขาเสียละพวกเราก็ไม่ได้มีเจตนานี่จอมพรานพูดยิ้มยิ้มแกสั่นหน้าอย่างลำบากใจบุญคำก็นึกบนบานขอขมาอยู่ในใจแล้วละ่ะแต่กลัวจะไม่รับนี่นายเชื่ออะไรบุญคำสักหน่อยได้ไหมละ่ะบุญคำไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าของทุกคนนะอะแล้วจะให้ทําไงบุญคำจะปลูกสารขึ้นที่โคนต้นเดี๋ยวนี้ ล้วนายไปลากคอไอ้แง่ทรายเชิญนายใหญ่ซึ่งเป็นานายของเราทั้งหมดให้แง่ทรายกับนายใหญ่จุดทูปขอขอมาเขาซะที่นี่ระพีนหัวเราะเบาๆนี่บุญคําอย่าให้มันเกี่ยวข้องไปถึงานายใหญ่ดีกว่าเขาไม่เชื่อด้วยหรอกขึ้นไปแนะเขาทำยางงั้นน่ะเขาจะหาว่าเราสองคนบ้าได้เปล่าเปล่าเอาน่าเฉยซะเถอะตกลงแปลว่านายไม่เชื่อบุญคําเลยด้วยเนี่ย ฉันก็ไม่เคยขัดอะไรบุญคํานะเราอยู่ด้วยกันมานานเราประเชิญอะไรต่ออะไรร่วมกันมาสารพัดและในวินาทีขับขันขิดสุดฉันก็พาตัวเองและบุญคําให้รอดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบุญคํานะเชื่อฉันบ้างดีกว่าลาพังฉันเองจะเอาอยัางไงก็เอากันแต่นี่เรามีนายมาด้วยนะแล้วเขาเป็นคนเมืองหลวงเป็นคนสมัยใหม่จะไม่มีวันเข้าใจอะไรได้อย่างเราหรอกสาหรับบุญคานะ่ะ พลาดพั้งยังไงลงไปก็ยังไม่เป็นไรเพราะเขาอภัยให้บุญคําได้แต่สําหรับฉันเนี่ยเขาจะดูหมินและจะหมดความไว้วังใจลงในทันทีมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้หรอกในการที่ฉันจะไปบอกให้เขามากราบไหว้ต้นไม้เขาจะได้หัวเราะเยาะเอาอะ ไ, ไรบุญคําพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วถอนใจเฮือกถ้างั้นก็ตามใจนายคืนนี้แหละเป็นหน้าชมและนายเตรียมตัวไว้ได้ พีจักบุญคาพูดเลยยอมให้กรดหัวเลยอะเถินหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทนํานองไหนกห็มันเกิดขึ้นมันักก่อนเอาไว้ค่อยแก้ไขทีหลังแล้วกันลําพังนายนะ่ะเห็นจะเห็นจะไม่กะไรหรอกบุญคารู้ว่านายมีอะไรดีๆอยู่ในตัวสารพัดแต่คนอื่นๆนี่จะลําบากนะนายฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรอย่างบุญคาว่านะหรอกแต่รับรองว่าหมอผีอย่างบุญคาเอง ถ้ามีผีตัวไหนมันเฮี้ยนฉันก็เคยไล่ออกมาสะหลายครั้งแล้วใช่สินายน่ะเล่นต่อยบุญคำจนสลบเมือดไปบางทีก็เล่นเอาไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์มาช็อตบุญคำถึงผีมันไม่ยอมออกบุญคำก็ต้องไล่มันออกไปเองนะเพราะทนไม่ไหวผีมันกลัวนายกันอีกตอนนี้แหละเออรีไปกันเถอะข้ามแล้วเดี๋ยวพวกเราจะสงสัยเขาตัดบท แล้วเร่งฝีเท้าขึ้นทั้งสองกลับมาถึงบริเวณแคมป์ก็คำลงพอดีทุกคนกำลังชุมนุมเตรียมกินอาหารเย็นอยู่ริมกองไฟเชถฐากระชายยันร้องทักมาไปไหนกันมารับพินเห็นใส่บอกว่าคุณกระบุญคำพากันเดินข้ามไปฝั่งโนนเลยก็เดินดวจอะไรเล่นๆงั้นแหละครับเขาตอบเรียบๆแล้วจ้องมาทางมาเรียอย่างแปลกตาที่เห็นหล่อนตัดผมสั้นหน้าตาเปลี่ยนไป ะนั่นใครกลอนผมให้อ่พ่านใหญ่ถามพักพวกลอยๆขึ้นเป็นภาษาไทยกันเองทำหน้าตื่นมองไปทางเชิฐากระชัยยันอดีตนายทหารหนุ่มหัวเราะก็ไม่มีใครจับกล้อนรอกเจ้าตัวก็มาอ้อนบอลให้เชิฐาช่วยตัดเองคงจะรู้สึกว่ารำคาญและเห็นตัวอย่างจากน้อยเขาละมั้งแต่ก็เหมาะแล้วละ่ะเจ้าตัวที่ถูกกล่าวถึงแม้จะฟังไม่รู้เรื่อง ก็พอจะรู้ว่าคงมีการพูดอะไรพลาดพิงถึงทรงผมของตนยกมือขึ้นลูบหัวหันไปกระซิบถามอะไรดารินแล้วมองไปทางพรานใหญ่ยิ้มจิตจืดเศร้าอยู่เช่นเดิมฉันดูเป็นยังไงบ้างละ่ะไพรวัตสวยขึ้นเขาตอบสั้นๆยิ้มให้มาเรียมีแววตาชงนพึมพำอยู่ในลำคอแต่ไม่กล่าวเช่นไรอีก ระหว่างที่นั่งรวมกลุ่มรับประทานอาหารและสนทนากันนั้นรพินสังเกตเห็นราชสกุลสาวมีอาการเงียบขึซมซึมๆไปอย่างผิดปกติในตาเมือเลื่อนลอยเหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงพวังคนอื่นอื่นมารู้สึกในความผิดสังเกตนั้นก็ต่อเมื่ออยู่ไม่อยู่หลอนก็โงกฟุบลงไปกับพื้นตรงหน้าเฉยเฉยน้อยไปไนไปมาเรียร้องลั่นหลอนเห็นเป็นคนแรก พราะนั่งอยู่ใกล้ที่สุดถลันข้าประคองพลิกร่างของหม่อมราชวงศ์สาวให้นอนผ้าตักพร้อมทั้งประคองใบหน้าเขย่าเรียกทีๆเชถาก็ใช้ยาันจ้องตะลึงแล้วปาดตรงเข้าไปโดยเร็วในขณะที่พรานใหญ่ถลันพรวดขึ้นยืนด้วยความตกใจทุกคนเห็นสีหน้าของดารินซีดเผื่อลมหายใจรวยๆดวงตาทั้งสองปิดสนิทพี่ชายกับเพื่อนนุ่มช่วยกันจับตัวสารวจ และร้องเรียกชื่อทีทีชุลมุนแก้ไขกันอยู่อึดใจใหญ่หญล่อนจึงลืมตาสว่างโพลงขึ้นพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งเหลียวไปมองรอบรอบเอ็นี่ฉันเป็นอะไรไปหล่อนร้อ ง, องถามขึ้นแผ่วเบาเสียงแทบไม่ผ่านลำคอออกมาท่ามกลางทุกสายตาที่จ้องมาอย่างกระวนกระวายเป็นห่วงอยู่ไม่อยู่เธอก็ฟุบไปเฉยๆงั้นแหละรู้สึกเป็นไงมางหน้อย มาเรียละล่ำละลักถามเต็มไปด้วยความตื่นระหนกโอบกอดไว้แน่นนักมนุษยวิทยาสาวตกอยู่ในภาวะมึนงงหน้ายังซีดอยู่เช่นนั้นเนอะฉันไม่รู้สึกตัวเลยนะไอ้บางทีฉันอาจเป็นลมไปก็ได้มีอะไรผิดปกติน้อยรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าพี่ชายถามโดยเร็วสีหน้า ก, กางังวลคว้าข้อมือน้องสาวไปกลุมเขารู้สึกว่ามือของหล่อนเย็นชืด ดาริน ง, งันไปครู่หายใจยาวๆเหมือนจะพยายามสํารวจตัวเองให้แน่ชัดชยันเอามือมาแตะที่หน้าผากแล้วก็พึมพำว่าเนื้ตัวก็ไม่ร้อนไม่มีไข้นี่กรากรา ม, มากอาจจะเป็นลมไปเฉยๆก็ได้แล้วตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างละ่ะน้อยหญิงสาวสันศีสันก็ไม่รู้สึกตัวเป็นอะไรนักหรอกนะเพียงแต่ใจมันหวิวๆยังไงบอกไม่ถูกท่านนั้นแหละ ใช่แล้วล่ะฉันเพียงแค่เป็นลมไปชั่วขณะเท่านั้นนี่รู้สึกปวดหัวตะครั้นตะครอหรือเปล่านทองล่ะรู้สึกว่ามีอาการประเภทผิดอาหารหรือมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเชษฐานซักอย่างร้อนใจพยายามลูบคลาไปตามตัวน้องสาวไม่นะครับพี่ใหญ่แค่มึนๆงงๆหนักๆ ห, หัวเท่านั้นแหละเมื่อสักครู่มันก็วกไปเฉยๆอ่ะ ไปนอนเถอน้อยเธอกําลังจะไม่สบายอะ่ะฉันจะพาเธอไปเองมาเรียกระซิบและประคองเพื่อนสาวขึ้นยืนเฉิถากระชยันก็เห็นพ้องด้วยพากันเดินตามเข้าไปส่งยังที่พักนอนรพินยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมครู่ใหญ่ชยันก็โผล่กลับออกมาเพียงคนเดียวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมชมอยู่ยกหยกว่ากระดูกแข็งมาก มาอีคืนนี้โดนเข้าตัวเองแล้วยังไงคุณหมอดารินใช้ยันกล่าวพร้อมกับโคลงหัวอาการเป็นไงบ้างครับพานใหญ่ถามอย่างเป็นห่วงอดีตนายทหารหนุ่มขมวดคิ้วยุ่งแล้วหัวเราะเบาๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นหมอด้วยตัวเองน่าจะรู้ดีว่าตัวเป็นอะไรแค่ไหนแต่สังเกตดูก็ไม่เห็นมีคข้หรืออาการหนักหนาอะไรนักนะ นอกจากหมดแรงอ่อนกำลังไปเฉยๆบ่นว่าเพลียอยากนอนเห็นหายากินเองอะแล้วก็นอนห่มผ้าหลับตานิ่งไปแล้วถามอะไรก็ไม่พูดได้แต่สั่นหัวตอนนี้เมย์กัเชตฐากำลังนั่งดูอยู่ถ้าให้นอนพักจะอาการจะดีขึ้นละมั้งครับเขาพูดเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมก็ว่างั้นแหละหมอก็หมอเถอะไม่กระดูกล็กไปได้เท่าไรนรักหรอก สมบุกสมบันก็มากๆก็มีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนธรรมดาได้เหมือนกัน อ, อโชคดีหน่อยนะที่ปรับกันเป็นเมื่อคือนน่ะเมย์ทำท่าจะแย่มาคืนนี้พอเมย์หายดีแล้วคุณหมอดารินก็ม้วนเสือไปซะเฉยๆเมื่อตอนกลางวันนี้ก็เห็นยังแข็งแรงดีอยู่แท้ๆนี่ขืนเป็นไรมากพรุ่งนี้ก็อดเดินทางต่อเท่านั้นดีเธอก็พูดอยู่เมื่อคือนนี้เองนะครับว่าถ้าเธอเป็นอะไรลงไปใครจะช่วยได้ มาคืนนี้เป็นเขาจริงๆเธอทานยาแล้วหรื อ, อยังครับเนี่ยไม่ต้องห่วงรอกเรื่องนั้นน่ะเขาจัดการกับตัวเองเรียบร้อยแล้วเมย์ก็ดูท่าจะเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดไม่มีอะไรกังวลก็ผลัดกันดูแลผมก็กว่าน้อยคงไม่เป็นอะไรมากหรอกถ้าทางอยากนอนพักอย่างเดียวตัวเขาเองก็ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรขออย่ายพวกเราห่วงนั่งสูบบุหรี่ดื่มกาแฟสนทนากับพรานใหญ่อีกครู่ใหญ่ ชายันก็กลับเข้าไปนอนส่วนเชษฐากามาเรียตั้งแต่เข้าไปส่งดารินแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกคงจะเข้านอนกันตั้งแต่ตอนนั้นรพินตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของบริเวณทั้งหมดแล้วเอนตัวลงนอนข้างๆบุญคำ ซึ่งนอนลืมตาพโพงอยู่นายหญิงเป็นอะไรไปครับนายเสียงแกกระซิบถามเบาๆเป็นลมนิดหน่อยอะน้องกระเทบุญคำพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแล้วผมได้ยินนายสั่งให้ไอ้พวกนั้นนอนกันหมดทุกคนไม่มีใครอยู่ยามเลยนะครับคืนนี้น้ำเสียงของบุญคำแฝงแววกังวลเต็มเปี่ยมอืมไม่จําเป็นระยะนี้นะเราไม่ได้อยู่ในเขตอันตรายจนถึงกับจะต้องมียามคอยเฝ้า ทุกคนต้องนอนเพื่อเอาแรงไว้แบกหามพรุ่งนี้แต่บุญคำดูเลิกลมแล้วมันไม่เหมาะน่านายรพินจุปากเบาๆอะอยากจะตื่นก็ตื่นอยู่คนเดียวฉันสั่งให้พวกนั้นมันนอนกันหมดทุกคนฉันเองก็กำลังจะนอนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วง่วงเต็มทีแล้วอย่ามาชวนพูดไรอีกนะว่าแล้วเขาก็พลิกนอนตะแคงหันหลังให้ซะ ตาพรานเท้าบนอะไรพึมพำอยู่ในลำคอแล้วชั่วอึดใจเดียวเขายังไม่ทันจะหลับซะด้วยซ้ำก็ได้ยินเสียงแกกรนอยู่ครอครอเคลิ้มเคลิมกำลังจะหลับสนิทนั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างกระทันหันเพราะใครคนหนึ่งมาเขย่าปลูกทางปลายเท้าพอลืมตาขึ้นก็แลเห็นส า, า่งปาพรานตองสู่ของมาเรียหน้าซีตาเลือกโพลง่ง ซื้อนายใหญ่มากสูงถึากับมาเลยเสียงอันสะท้านสั่นนั้นหลุดลอดลำคอส่างปามาอย่างยากเย็นจอมพรานผงกตัวขึ้นนั่งโดยเร็วไรเฟินข้างตัววูบขึ้นมาอยู่ในมืออีกมือหนึ่งฟากไฟฉายมันอยู่ที่ไหนเจ้าตองซูอึกอักอยู่ในลำคอแล้วชี้มือไปทางหมูโขทินประชิดแนวละเมะ๋ออันจะเป็นทางลงไปสู่าน้ําเบื้องล่าง มันโผล่มาจากปากทางนั่นเดินเฉียดทุ่มไม้หายลับไปทางด้านขวาเกิดมาสางปายังไม่เคยเห็นเสืออะไรใหญ่ถึงแค่นี้โอ้ยหลังมันสูงกว่าก้อนหินนั่นอีกยาวสักห้าวาเห็นจะได้น า, นายรพินจ้องหน้าอันซีดเผือดนั้นอย่างคลางแคลงลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นย่องกริบลงไปยังตำแหน่งซึ่งสางปาชี้บอกกลับไฟฉายสำรวจไปรอบๆเลือกรวดไปตามพื้น สางปลาเดินตามหลังมาด้วยอาการสัทธานสัตวเจ้าเห็นได้ยังไงสางปานี่เจ้าไม่ได้นอนหลับหรอกเหรอสางปายังไม่ได้นอนนายสางปานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นูกํกำลังสูบกัญชาเฮ้ยวันกัญชามันทำให้เจ้าตาฝาดซื้ออะไรจะสูงเท่ามายาวห้าว่าอย่างเจ้า ว, าว่าเขาพูดอย่างหัวเสียกราดไฟไปตามพื้นแล้วยักหน้า ดูซ์ะมีรองรอยอะไรบ้างไหมพรานชาวตองสู่ลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นหรือน้ำลายลงคอและทำหน้าหยีเกสั่งปาสาบานได้นะนายว่ามองหินจริงๆไม่ได้ตาฟาดแต่ทำไมมันถึงไม่มีรอยก็ไม่รู้สิถ้าเจ้ายังสูบกัญชาอยู่อีกเจ้าจะเห็นอะไรไปได้สารพัดอย่างเพราะฉะนั้นเลิกสูบแล้วก็นอนซะ เขาบอกข้วนหวดสางปลายืนอึ้งไปครู่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีเดินไปเก็บบ้องกัญชาแล้วล้มตัวลงนอนจอมพรานก็เดินกลับมายังที่ของเขาโดยไม่สนใจอะไรอีกเขาจะนอนหลับต่อไปอีกนานสักเท่าใดไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกครั้งเพราะเสียงพูดกันพึมพมแซกอยู่รอบกายและไปก็เห็นเกิดเสยจันและขยิน นั่งล้อมวงพูดอะไรกันอยู่จนฟังไม่ได้สับสีหน้าของแต่ละคนเหล่านั้นแสดงอาการตื่นเต้นตรโกรธตกใจส่วนบุญคํายังคงนอนกรนครอกอยู่ตามเดิมอะไรนั่นลุกขึ้นมานั่งกันทําไมพรานใหญ่ร้องถามไปเบาๆจ้องสํารวจในสีหน้าอาการอันแปลกๆของคนเหล่านั้นทีละคนนายคืนนี้มันยังไงจะแล้วล่ะเคยยินพูดเสียงเครือทําหน้าปัญญา ขยินนอนไม่หลับเลยนายพอจะหลับลงทีไรเห็นช้างมันแล่นเข้ามาลงงาเอาทุกทีตัวมันเท่าภูเขาพอลืมตาลุกขึ้นจะห น, นีมันก็หายไปพอลงนอนเผลอๆกาลังจะหลับมันก็วิ่งเข้ามาแทงอีกห้าครั้งเห็นจะได้แล้วนี่ขยินนอนไม่ได้เลยนะายผมก็เหมือนกันนายจันชิงบอกมาด้วยอาการกระหืดกระหอบหน้าเหลือสองนิ้ว ตินใหญ่เท่าใบตาลก่าวลงมาจากยอดปานน่าโนอดเยียบออกผมไว้จะร้องก็ร้องไม่ออกดิ่งอยู่เป็นนานที่แรกว่าฝันโอ้ยที่ไหนได้ลืมตาขึ้นแล้วยังมองเห็นชัดอยู่เลยพอร้องเรียกชื่อนายพ้นปา ก, ก็ไม่ได้คำเดียวมันก็หดบูบหายไปผมลุกขึ้นนั่งไอ้ขยินก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามานายงูเหลือมตัวเท่าต้นรังนะ่ะมันกลืนผมก็ไปครึ่งตัว เกิดสำลักออกมาบ้างตกอยู่ในอาการเดียวกับขยยินและจันปากคอสั่นเทาแหล่ที่สุดไปยนายตัวมันเป็นงูแต่หน้าเป็นผู้หญิงผมตะโกนเรียกให้ช่วยแต่ไม่มีเสียงเหมือนกันมันเคยหยอกผมก็ไปเกือบหมดตัวแล้วก็พอดีได้ยินเสียงนะจันร้องลั่นมันก็หายวับไปเฉยๆโอ้ยฝันหนีที่ฟอหมดใจยังเต้นตึกตกอยู่เนี่ย กระพินเม้มริมฝีปากแน่นเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เสยซึ่งนั่งเอามือประสานโปะอยู่กลางหัวหน้าเขียวแกลเสยเสยมองสบตาเขายิ้มแห้งๆผมนั่นไม่อยากบอกให้นายรู้เลยตั้งแต่เข้านอนเมื่อตอนหัวค่ำนี่แหละผมเห็นอะไรก็ไม่รู้สินายมันมายืนล้อมปางพักเรารอบด้านไปหมดยืนสี่ขามังสองขามั่ง บางตัวก็หัวไม่มีมันโผล่ อ, อยู่ตามก้อนหินตามพุ่มไม้พอฉายไฟไปมันก็หายไปหมดพอดับไฟไปเดี๋ยวเดียวก็ออกมาเต็มอีกผมนักกระซิบบอกไอ้เกิดมันก็หาว่าผมตาฝาดผมก็เลยนึกว่าตัวเองตาฝาดเหมือนกันพอลงนอนหลับตาก็ยิ่งเห็นชัดผมน่นไม่ได้หลับลงเลยนะนายก็พอดีได้ยินเสียงไอ้พวกนี้ตื่นขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาบ้างหรยวไหลกันใหญ่แล้วไอ้พวกนี้ หลับแล้วก็ฝันเลอะเทอะกันไปเองแท้ๆเขาทำเสียงดุต่ำๆเออแต่ผมว่ามันพิกลอยู่นะนายจันครางอ่อยๆขนลุกชันขึ้นที่แขนทั้งสองข้างจนมองเห็นเป็นตุ่มๆได้ถนัดทำไมถึงมาฝันไม่ดีเหมือนนกันหมดอย่างนี้นายใครจะนอนก็นอนเหอะผมไม่นอนละผมก็เหมือนกันนอนไม่หลับอะ หลับตาทีไรเห็นงูหัวเป็นผู้หญิงเลื้อยเข้ามาหาทุกทีเกิดพูดโดยเร็วห่อไหลลงอย่างสยดสยองพองขนก่อนที่พรานใหญ่จะกล่าวเช่นไรต่อไปนั่นเองสา่งปาผู้นอนเอากระสอบคลุมหัวอยู่ไม่ห่างออกไปนะักก็ดินพรวดพลาดร้องอยู่อึกอักตะกุยตะกายทากิริยาเหมือนจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างทุกคนหันขวับไปมองเป็นตาเดียวรพินเพ็นพรวดขึ้นยืน กระโจนเข้าไปที่เจ้าพรานตองสูโดยเร็วอีกสีคนก็วิ่งพลูตามเข้ามาด้วยเขากระชากกระสอบป่านที่คลุมหัวสั่งปาออกฮิวคอมันขึ้นมาพร้อมกับเขย่าเรียกโดยแรงสั่งป้าเป็นอะไรไปลาสังปายังคงหลับหูหลับตาแน่งอยู่เช่นนั้นแยกเขี่ยวเวียงกำปั้นออกไปทั้งซ้ายขวาไม่ยอมลืมหูลืมตาดูโลกปาก็สบดพรุสวานไม่เป็นภาษา รบพินสบัดหลังมือชาดเขาอธิบใบหน้าเป็นการปลุกให้คืนสติร่างของพรานตองสู่เสทลาไปล้มก้นกระแทกกับพื้นแล้วลืมตาสว่างโพลงขึ้นเหลียวไปรอบๆขยินงกระจันก็เข้ามาประคองหิ้แขนขึ้นยืนนายมันร้องลั่นกระหืดกระหอบออกมาเมื่อมองเห็นหน้าพรานใหญ่และทุกคนที่แวดล้อมอยู่มันไปไหนแล้วนายมาช่วยสางตาไว้ได้ยังไง มันน่ะอะไรเสือน่ะสิไอ้เสือใหญ่เท่าม้าตัวนั้นน่ะสิก็ตัวที่สั่งปลาเห็นแล้วบอกนายเมื่อหัวคามันย่องเข้ามาตะครุบสางตานะนายจอมพรานยืนอึทุกคนก็เงียบกริบได้แต่มองหน้ากันคงมีแต่เสียงหายใจหอบฮักฮักแทบจะไม่เป็นคนของสา่งปลาเท่านั้นในที่สุดเขาก็ฝืนยิ้มให้เอื้อมมือมาตบแขนพรานต่องสู่ร่างเล็ก ก่าวด้วยน้ำเสียงปลอบโยนว่าไม่มีเสือตัวไหนมาตะครุบเจ้าหรอกสางปาจะฝันไปมนะเอาล่ะไาเพิ่งนอนกันเลยมานั่งกินกาแฟกันทางนี้ก่อนดีกว่าก็ชวนคนเหล่านั้นเข้ามานั่งรวมกลุ่มอยู่ริมกองไฟกลางซึ่งสุมให้ลุกโชดช่วงสว่างขึ้นเสืยกหม้อกาแฟที่ต้มใส่น้ำตาลไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หัวค่าขึ้นตั้งไฟอุ่นริมแจกใ่ายกัน พวกพรานพื้นเมืองทั้งห้าแต่งจับกลุ่มเล่าความฝันอันน่าวาดสยองสู่กันฟังทุกคนเต็มไปได้วยความพรั่นพรึงระคนพิศวงเหลือที่จะกลั่ระพินเองก็พูดอะไรไม่ออกแน่ละทำไมเขาจึงจะไม่รู้สึกในสิ่งอันผิดวิกลซึ่งเกิดขึ้นกับคนของเขารากับจะนัดกันไว้เช่นนี้นิมิตร้ายเหล่านี้ได้อุบัติขึ้นรบกวนคนของเขาในลักษณะต่าง จนไม่สามารถจะหลับนอนได้ต้องลุกขึ้นมานั่งอกสั่นขวัญหายแต่ว่าคนใดคนหนึ่งฝันร้ายไปเองเพระาะธาตหรือเลือดลมไม่ปกติก็ใช่ที่เพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งห้าคนในเวลาเดียวกันบุคคลเหล่านี้เขาก็ล้วนรู้จักอุปนิสัยใจคอมาอย่างดีแล้วทั้งสิน้นตะละคนขวัญดีและกล้าหาญมั่นคงกันทั้งนั้นไม่ใช่พวกคลาตาขาและพวกที่ชอบสร้างมโนภาพอุ ป, ปาทานขึ้นเองเลยไม่ อีกประการหนึ่งจะว่าพวกนี้คิดเพ้อฝันไปเองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขากระบุนคําก็ไม่ได้แพร่งพลายให้ใครรู้มาก่อนเลยถึงเรื่องตะเคียนใหญ่ต้นนั้นนี่มันแปลว่าอำนาจลี้ลับชนิดหนึ่งได้แผงเงาเข้ามาคุกคามเล่นงานคณะของเขาเข้าแล้วเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงสำหรับตัวเขาเองสาบานได้ว่าขณะที่หลับอยู่นั้นเป็นการหลับอย่างปกติสุขที่สุด ไม่ฝันอะไรแม้แต่สักอย่างเดียวด้วยซ้ำแต่ก็ต้องมาตกใจสะดุ้งตื่นอยู่หลายครั้งก็เพราะคนเหล่านี้เจ้ามองไปยังเงาตะคุ่มของกลุ่มโขดหินอันเป็นเพิงพักของคณะนายจ้างเห็นสงบเงียบเชียบเป็นดุดสนีภาพนั่นแสดงว่าทุกคนคงจะหลับสนิทโดยไม่มีอะไรแพรวพานเข้าไปรังควานรบกวนช่วยทาให้ใจชื้นขึ้นเล็กน้อยขณะนั้นเอง เฉลรอยจะได้ยินเสียงพูดกันแท่อยู่รอบตัวตาท่าบุญคำก็ตื่นลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเฮ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นแกร้องถามขึ้นรวมๆไม่กี่อึดใจพวกนั้นก็ช่วยกันเล่าความให้บุญคำฟังโดยตลอดตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมอันอาวุโสที่สุดในกลุ่มพรานพื้นเมืองแลยไปสบตาพรานใหญ่ที่มองจับมาก่อนแล้วแวบหนึ่งพวกเอ็งอะแดกมากก็เลยฝันมาก พูดกลบเกลืนแล้วก็หัวเราะเหอะเอะอยู่ในลำคอนี่ลุงนอนหลับสบายดีไม่ได้ฝันร้ายอะไรอย่างพวกฉันเลยเหรอเกิดถามขาก็ฝันเหมือนกันว่าฝันว่านางฟ้าไม่นุ่งผ้าไม่ชวนข้าเล่นไล่จับแม่กำลังเพลินดีเดียวข้าก็ตกกระใจตื่นเพราะเสียงพูกกันเป็นหมีกินพึ่งของพวกเองนี่แหละทาไมฉันถึงไม่ฝันอย่างลุงมางก็ไม่รู้สินะเสยครางเกาหัวยิก ฉันมองไปเห็นแต่ผีป่าเต็มป่าไปหมดไอ้เกิดถูกงูขยอกไอ้จันน่ะมีตีนทำใบตานมาเหยียบอกไอ้ขยินนะ่ะช้างไล่แทงไอส้ส้างปานะ่ะเสือตัวเท่ามาขบหัวนอนกันไม่ได้ทุกคนถุยพวกเองนี่จะรวมกันรวมหัวกันสร้างสถานการณ์ร้ายขึ้นหรือไงวะนี่นอนๆมาสทีเถอะกล้ากำลังหลับสบายก็เลยต้องพลอยตื่นขึ้นด้วยบุญคาเอตโรขึ้น และผู้จากลบเกลื่อนปลอบโยนพวกนั้นพระพินลุกขึ้นเดินออกมาจุดบุหรี่สูบอยู่ในเงามืดริมก้อนหินลูกหนึ่งตามองฝ่าสีดำสนิทของป่าใหญ่ยามวิการออกไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกอย่างไรก็ตามพลังจิตของเขายังคงกล้าวแข็งมั่นคงอยู่เหมือนเดิมบุญคําจับราฉลาดได้เป็นผู้ใหญ่ได้คนหนึ่งที่พยายามพูดกลบเกลื่อนปลอบขวัญพวกนั้นโดยไม่ผสมโรงด้วย แต่สายตาของแกที่มองมาสพเขารพินย่อมจะอ่านได้ชัดว่าอะไรเป็นความรู้สึกภายในของพรานเท่าแม้ปากแกจะพูดไปอีกอย่างนึงครู่นึงบุญคำก็ตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆเับเอาเรื่องแล้วไม่ละนายเิ็งจะไม่สนุกแน่นะแกรกระซิบกับเขาเบาที่สุดชื่อเธอหน้าว่าไม่มีอะไรหรอกพวกนั้นอะมันฝันไปเองแท้แทนมันเป็นเรื่องบังเอิญ ที่ฉันกาบุญคำไม่เห็นเป็นอย่างพวกนั้นเลยเขาพูดน้ำเสียงปกติตบแขนพรานเท่าคู่ใจแกถอนใจเฮือใครบอกละนายว่าบุญคำไม่ได้เป็นอย่างพวกนั้นบุญคำไม่อยากพูดแต่มันขวัญเสียกันไปใหญ่เท่านั้นแหละอ่ะก็ไหนบอกว่าฝันเห็นนางฟ้าแก้ผ้าไงโธ่นายบุญคำพูดหลอพวกมันไปงั้นแหละบุญคาฝันว่าถูกธรณีสูบ กำลังจะมิดขัวอยู่แล้วนะนายจะเป็นคนจับมือบุญคําฉุดไว้แล้วก็ถูกดูจงไปอีกคนบุญคําร้องจนสุดเสียงก็พอดีตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงพูดสัตว์ของไอ้พวกนั้นนายนะไม่ได้ฝันร้ายอะไรมั่งเลยเลยฉันนอนหลับสบายที่สุดไม่ได้ฝันอะไรสักอย่างไม่ว่าจะร้ายหรือดีแต่ต้องตื่นบ่อยเพราะไอ้พวกนั้นแหละทําเหตุขึ้นนี่ว่าแต่บุญคําบอกให้พวกนั้นรู้หรือเปล่าไอ้เรื่องต้นตะเคียนอะ สาบานก็ได้นายบุญคำไม่ได้พูดกับใครเลยตามที่นายสั่ง่ะบุญคำบอกแล้วนายก็ไม่เชื่อนะเนี่ยเห็นไหมคืนนี้มันโกนพวกเราทั้งคืนแหละพรานใหญ่บุ้ยปากไปที่พักนอนของนายจางที่สงบเงียบอยู่เจ้านายของเรานอนกันได้อย่างสบายไม่เห็นเขาตื่นขึข้นมาโวยวายอลห ม, มาดเหมือนพวกเราเลยไปไปบอกให้พวกนั้นนอนซะแล้วบุญคำก็นอนให้หลับด้วยตั้งสติสวดมนต์ให้ดีอย่าปล่อยให้ฝันร้ายมันเข้ามาอีกแล้วกัน บุญคำน่ะบอกให้มันนอนแต่พวกมันไม่ยอมนอนกันอีกมันว่ามันจะนั่งกันจนสว่างเลยเห็นมันบอกกันเป็นเสียงเดียวว่พะพอจะหลับทีไรเป็นเจอดีทุกทีสำหรับบุญคำเองน่ะไม่เปไ็นไรอกนายระพินสาดตาไปรอบๆ บ, บริเวณอีกครั้งแล้วมาชะงักจัดนิ่งอยู่ที่กองไฟเล็กๆซึ่งกำลังมอดแดงห่างออกไปจากทางหนึ่งห่างออกไปทางหนึ่งซึ่งชิดกับร้านย่างเนื้อ เงาตะคุ่มของแง่ทรายผุดนั่งผุดนอนอยู่ตรงนั้นต่อมาก็เห็นใส่ฟืนเข้าไปในกองชะโงกไปเป่าให้เปลวไฟลุกติดขึ้นแล้วหมุนตัวเปลี่ยนทิศทางนอนเอาหัวหันเข้าหากองไฟปลายตีนหันออกราวปากเขามองอยู่ครู่นึ่งจึงเดินตรงเข้าไปโดยมีบุญคําตามหลังมาด้วยร่างนั้นผุดลุกขึ้นนั่งอีกครั้งมองมาด้วยสายตาแฝงความกระวนกระวายบางประการที่ซ่อนเร้นอยู่ลึก รู้สึกว่าแกจะนอนไม่เป็นสุขอยู่เหมือนกันนะแง่ทรายมีอะไรผิดปกตินะคนใช้ชาวดงหัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลำคอผู้กองนะครับรู้สึกมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่านี่ฉันถามแกนะไม่ใช่แกมาย้อนถามฉันแง่ทรายหัวเราะเบาๆอีกครั้งลุกขึ้นยืนบิดตัวจนกระดูกลั่นตามองออกไปยังความมืดมนของป่ารอบนอก ผู้กองจะต้องรู้ดีเท่าเท่ากับผมและคนอื่นๆนั่นแหละแม้ว่ามันจะไม่ได้บังเกิดขึ้นกับตัวผู้กองเองหมายความว่าไงแงซายก็อำนาจลึกลับอันแรงกล้าชนิดหนึ่งน่ะมันแฝงอยู่ในเงามืดรอบตัวเราทุกคนในขณะนี้อย่างประสงค์ร้ายผมน่ะสัมผัสกับอำนาจของมันมาตั้งแต่ตะวันตกดินแล้วแรกก็คิดว่าเลือดลมไม่ปกติแต่มันแน่ใจเอาชั่วโมงที่แล้วมานี่เองผู้กองสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเรา ผู้กองเป็นหัวหน้าของพวกเราทุกคนเตรียมรับมือหรือแก้ไขเถอะมันเอาเราแน่นะผู้กองก็เองนั่นแหละไอตัวดีแง่ทรายนี่เองรู้ตัวแล้วสิว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบุญคำกระซิบมาเร็วปรือตาลุกโผแง่ทรายหัวเราะห้าๆอยู่ในลำคอเช่นนั้นฉันไม่ได้เจตนานะลุงคำแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วมานี่แหละ แล้วเงาทรายก็หันไปทางพรานใหญ่ผู้กองครับถ้าผู้กองอนุญาตผมจะขอไปที่ตะเคียนใหญ่ต้นนั้นตามลําพังเดี๋ยวนี้บางทีอะไรอะไรอาจดีขึ้นนะครับอยาจะไปทําไมเขาถามโดยเร็วขมวดคิว้วอดไม่ได้ที่ขนลุกสู้ขึ้นมาผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าผมจะไปทําไมแต่รู้สึกว่านั่นเป็นความต้องการของหล่อนหล่อนน่ะใคร แง่สายยักษ์ลายยิ้มในลักษณะแยกเขี้ยวผมก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันนะครับแม้ในขณะนี้ผมก็มองเห็นอยู่นะพวกกองพร้อมกับเสียงพูดแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองแง่สายจ้องออกไปในเงามือดอันน่าสะพึงกลัวของไพรทึบกลางราตรีดำสนิทซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสปปรรพสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเงาอยู่แล้วบุยปากไปที่เงาตะคุ่มของไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปลายลาห้วยเบืองล่ะนั่นไงละ่ะ เรายืนอยู่ที่นั่นสูงเทียมยอดสสดาวโดงตาราวกคบคบใต้บริวารแวดล้อมเต็มไปหมดกระจายอยู่รอบปางพักของเราราวกับทหารสักหนึ่งกองพันเมื่อแหลกหลับตาเห็นแต่เดี๋ยวนี้ลืมสองตาอยู่นี้ก็ยังเห็นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้กองกะลุงคำจะเห็นอย่างผมหรือเปล่าเสียงบุญคำอุทานอะไรออกมาคํานึงแทบจะกระโดดโยงแล้วพินหน้าเครียดขึ้ลงในทันทีนั้น แกไม่สบายไปเสีแล้วเงยสายผลสบายดีครับผู้กองเงยสายตอบด้วยน้ําเสียงเรื่อยๆเป็นปกติปลายยังจับจ้องที่เป้าหมายเดิมเช่นนั้นเหมือนจะดูอะไรสักอย่างในความมืด อ, อาจเป็นไปได้ที่ใครสักคนนึงมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่คนอื่นไม่เห็นให้ผมออกไปนะผู้กองเอ็งขืนออกไปพ้นเขตที่ฆ่าลงวันนี้เอ็งก็ตายหายเท่านั้นสิบุญคําร้อง แง่าสายหันกลับมาจ้องหน้าบุญคำกับพลานใหญ่อีกครั้งยิ้มนั่นประกาศความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวฉันไม่หวันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรอกลุงคำบางทีหล่อนอาจต้องการอะไรจากฉันและช่วยพวกเราทุกคนปลอดภัยขึ้นก็ได้ลักษณะของหล่อนไม่ใช่สิ่งที่ร้ายอะไรจนเกินไปนะแต่เกลี้ยวกราดข้องใจที่ฉันบังเอิญไปล่วงเกินเขานี่หยุดเพอซ ะ, ะทีแง่าย แล้วก็ไม่ต้องนอนตรงนี้อีกต่อไปไปเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกเรานู่นรพินตัดบทมาอย่างเฉียบขาดแล้วหัวเราะเสียงกระชากกล่าวต่อมาว่าเอาละให้มันรู้ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแงซายถอนใจลึกก้มศรีรษะลงนิดนึงอย่างรับคําสั่งเขาโดยเคร่งครัดช่วยได้ไรเฟิลและหอของประจําตัวขยับจะเดินเข้าไปที่กองไฟกลางอันมีพวกพรานพื้นเมืองนั่งชุมนุมคุยกันอยู่ไม่เป็นอันลับอันนอน ทันใดนั่นเองทั้งระพินบุญคำและแงาทรายก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวยืนชะ ง, งักนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะปรากฏเสียงตูมสนันลงมากลางร้านย่างเนื้อไม้ที่ก่อเป็นร้านไว้พร้อมทั้งเนื้อกวางรมควันอยู่พัลมลงมาหากองไฟเบื้องล่างที่คุเป็นฐานแดงกระจายว่อนก้อนหินขนาดมะพร้าวห้าวเขิงๆลูกหนึ่งเป็นต้นเหตุอันนี้มันจะลอยมาจากทางใดก็เหลือที่จะบอกได้ถูก และบัตรนี้มันกระเด็นกลิ้งครุกๆด้วยอำนาจแรงเวียงกลิ้งมาหยุดหยุดตรงหน้าของจอมพลอีกห้าคนที่นั่งยังกองไฟกลางลานก็พลอยสะดุ้งหันขวับมาพร้อมกันฝ่ามืออันเย็นเฉียบของบุญคำจับแขนเขาไว้บีบแน่นพร้อมกับเสียงผู้ที่แทบไม่ผ่านลำคอออกมาชัดหรื อ, อยังนายนี่มันของจริงซะแล้วนะเฉยๆไว้บุญคาอย่าเอะอะไรไป เขกระซิบตอบโดยเร็วส่องไฟกลางออกไปยังราวป่าด้านนั้นอย่างระมัดระวังพร้อมกระไร ฟ, ฟ่นที่พร้อมอยู่ในมือเมยซายก็ช่วยส่องค้นหาอีกคนอีกห้าหกคนที่นั่งล้อมกันอยู่ที่กองไฟกลางพากันเพ่นฮือตรงเข้ามาสมทบอย่างตื่นตกใจแต่ไม่มีใครปริปากคำใดขึ้นทั้งสิน้นนอกจากตาที่เบิกโพลงพากันสอดสายสายตาไปรอบๆ อ, อย่างหวาดระแวงป่ารอบด้านสงัดนิ่งเป็นดุจสนี ไม่มีวี่แววเลยว่าก้อนหินเคืองลูกนั้นปลิวมาจากไหนพรนใหญ่กัดริมฝีปากแน่ะเดินช้าๆตรงเข้าไปที่ขินก้อนนั้นแล้วใช้เท้าเขี่ยดูมันเป็นหินภูเขาธรรมดาที่เห็นกลิ้งกลาดเกลือนอยู่ทั่วๆบริเวณแถวนั้นนั่นเองคันแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจยังไงถูกก็ปรากฏเสียงก้อนหินระดมคว้างตาเข้ามาอีกราวกับจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ก้อนเล็กขนาดเท่ากําปั้นก้อนหนึ่ง เรวเข้ามากระทบโขดหินใหญ่ที่เขายืนอยู่ใกล้ๆโดยแรงและแตกเป็นสะเก็ดกระจายดังเพียฉะแหลบไปกับพื้นดินและไ ล, ล่ไล่กันกับที่ระพินกระโดดหลบอีกหลายก้อนขนาดต่างๆก็ลอยละลิ้วเข้ามาราวกรหาฝนบางก้อนมีขนาดใหญ่เท่าโครกตำน้ำพริกถูกเข้าก็มีหวังคอหักระวังลบเร็วเขาตะเกออกมาสุดเสียงพุ่งตัวปราดเข้ากำบังอยู่ริมโขดหินลูกนึง ทุกคนก็แตกคือกันออกไปอย่างตื่นหนกเหลือที่จะกลับขยินร้องออกมาไม่เป็นภาษาอย่างหมดสติด้วยความกลัวแห ล, ล่นทะลาไม่รู้ทิศทางจะเพ่นออกนอกบริเวณบุญคำก็วัยทายาบบัดขาเจ้าอาดีตนักเลงโต่ลมช้างล้มกลิ้งลงแล้วกระโจนเข้าตะครุบกดคอไว้ร้องบอกเสียงหลงอยู่กับที่ขยินขืนวิ่งออกนอกบางพะมึงตายแน่ขยินตาหลือกร้องโวยวายฟังไม่เป็นภาษาคนอยู่เช่นนั้น บุญคำก็กอดคอไว้แน่น่ามกลางฝนหินที่ประดังซัดพรูเข้ามาหล่นอยู่ทั่วบริเวณเชียดทุกคนที่กำลังวิ่งหลบกันจ้าละวันไปมาอย่างวุ่นวิตความโกลาหลอลหม่านเกิดขึ้นตลอดทั้งแคมป์พวกพรานพื้นเมืองร้องกันอยู่อื้ออึงยังขวัญหนีดีฟอกแล้วมันก็สงบเงียบไปอีกอย่างลึกลับอันเป็นเวลาเดียวกับที่เชฐาชา ย, ยันและมาเรียตกใจตื่นขึ้น ทันลั่นออกจากเพิงพักมาพร้อมกับไฟฉายและไรเฟิลประจำตัวตะโกนถามลั่นมาด้วยความตื่นตกใจระวังก้อนหินจะหล่นมาถูกเข้าที่กำมังก่อนครับพรานใหญ่ร้องบอกสวนออกมาทั้งสามช่างนักและเพนเข้าหาที่มั่นอันปลอดภัยตามคำเตือนนั้น ท, ทั้งทั้งที่ยังตื่นงงไม่สามารถจะทํานายเหตุการณ์ใดๆไ ด, ได้ความเงียบครอบนำอยู่ชั่วขณะอีกอฉาใจเต็มเต็ม ระพินกับพวกพรานพื้นเมืองจึงเริ่มเคลื่อนไหวออกจากที่ซ่อนเชิฐาชายันและมาเรียก็ปราดตรงเข้ามาทุกคนเข้ามาออรวมกลุ่มกันด้วยสีหน้าลักษณะต่างๆอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าคณะถามโดยเร็วกว่าสายตาไปยังก้อนหินที่กลิง้งเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณและมองกลบไปยังสีหน้าของทุกคนมาหยุดจับนิ่งอยู่ที่พรานใหญ่ซึ่งมีอาการพิกลผิดไปกว่าทุกครั้งที่เชิฐาเคยเห็น แคมของเราถูกระดมคว่างปาด้วยก้อนหินจากมือลึกลับครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงชายันร้องอัศจรรย์ใจไปหมดผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วเขาก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้คณะนายจ้างทราบถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจษาชายันและมาเรียเต็ไมไปด้วยความงงงนันถ้าไม่เกิดขึ้นจากน้ำมือของคนแล้วมันจะเกิดขึ้นจากอะไร มาเรียพูดเสียงกระซิบสูงสายตาคมกริบออกไปยังราวปลาอันมืดมิดแล้วกราดไฟฉายไปมาเป็นไปได้ไหมที่สังเขียวลอบเข้ามาก่ อ, อ ก, กวนเราอีกหรือมิฉะนั้นอาจเป็นสัตว์ประเภทลิงขนาดใหญ่สังเขียวจะไม่ใช้วิธีคว้างปลาเราด้วยก้อนหินแบบนี้ครับแต่มันจะจู่โจมเข้าถึงตัวทีเดียวธนูและหอของมันเป็นอาวุธที่ดีกว่าก้อนหินส่วนถ้าเป็นลิงใหญ่ เชตาช ง, งักคำพู ด, ด้วยอาการเฉลียวใจบางอย่างถือไฟฉายกับปืนขยับจะเดินออกไปสำรวจนอกบริเวณแต่ทันทีนั้นบุญคำก็เข้าสกัดหน้าไว้พูดมาอย่างร้อนรนอย่านายนายเชื่อบุญคำสักครั้งนายอย่าออกไปเป็นนางขาดนะครับมันไม่ใช่คนรือสัตว์ชนิดใดทั้งสิ้นครับหมายความว่าไงหัวหน้าคณะขมวดคิ้วจ้องหน้าบุญคาแล้วเปลี่ยนไปจับอูที่จอมพรานเหมือนจะหาคาตอบออกมาให้ได้ ก็แลเห็นแววก็แลเห็นแววตาฉายแสงประหลาดของระพินมองตอบมามันเต็มไปด้ปริศนาอันตีไม่แตกแง่ท า, ายเองบอกนายหญิงไปตามจริงดีกว่าว่าที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันหมายถึงอะไรตาพรานเท่าหันไปพูดกับเจ้าคนใช้ชาวดงเชษดถากับชา ย, ยันยิ่งเต็มไปด้วยความสงสัยประหลาดใจเหลือที่จะกล่าหันควับไปมองแง่ า, ายผู้ยืนเงียบสงบอยู่ แง่ไซอึกอักในลำคอพูดไม่ออกกระพิงจึงทำหน้าที่ตอบขึ้นด้วยน้ําเสียงอ้อมแอมไม่เต็มปากนะักคือเมื่อเช้านี้ครับตอนที่แง่ไซลองปืนยิงไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเป้ามารู้กันทีหลังว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นตะเคียนผมก็ไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอาเพศวิกฤอะไรขึ้นอย่างที่เรารเผชิญกันอยู่นี่แต่บุญคาและแงา่ายมีความเชื่อมั่นเช่นนั้นครับ เชิฐากับสหายของเขาลืมตากว้างชะงักงันไปส่วนมาเรียอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเชื่อกันในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอย่างนั้นไม่มีใครสนใจกับคำพูดของแมวสาวซึ่งแน่ละ่ะในชีวิตกา ร, รเผชิญภัยอยู่ในป่าของหล่อนคงไม่เคยเผชิญกับความลี้ลับมืดมนอย่างที่คณะของเชิฐฐาได้ผดจญกันมาแล้ว เชิากชัชายยันหันมองตากันเองด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกท่านใดนั้นเองก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไดต่อไปเสียงหนึ่งก็แว่วมาในความเงียบสงัดกระทบเข้าโซดประสาทของทุกคนพร้อมกันหมดมันเป็นเสียงหัวเราะเสียงนั้นแหลมเย็นกลางวานออกมาจากความมืดที่ใดที่หนึง่งใกล้หรือไกลไม่มีใครสามารถกําหนดได้แต่บอกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิง ร แ, แสเสียงหัวเราะเยือกนั้นมันแฝงไปได้วยแววเยาะและมุ่งร้ายหมายขวัญเฉยไปครับอย่าออกไปนอกเขตปางพักเป็นอันขาดบุญคำรับรองว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบริเวณของเราตาพรานเท่าประกาศกล้องขึ้นด้วยเสียงอันสถานสัน่นเตือนสติทุกคนช้ยันขยับไรเฟิลจะบรรจุกระสุนขึ้นฟ้าออกไปแต่ละพินควา้ากดไวกระซิบ ไม่มีประโยชน์หรอกมาเรียวไหวตัวจะปราดออกไปตามทิศทางของเสียงเท่าที่หล่อนจับได้แต่เงาสายก็คว้าไหล ย, ยึดไว้มัน่นทุกคนยืนตรึงอยู่กับที่ไปอีกวาระหนึ่งเชษฐานั้นเงียหูฟังอย่างตั้งใจและด้วยอาการอันสงบเขาหน้าเต็มไปด้วยอาการไตรตรองขบคิดเสียงนั้นจะหายไปชั่วขณะแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกเป็นระยะประเดี๋ยวดังอยู่ทางด้านโน้นประเดี๋ยวย้ายมาดังอยู่ด้านนี้ และหนที่สุดก็ดูประหนึ่งว่าจะแววออกมาจากความมืดอันลี้ลับรอบด้านเขาละวิเศษแท้คืนนี้ขอยชมอะไรกันชัดๆเป็นขวัญตาสักครั้งเถอะชายันตะโกนกล้องออกไปด้วยอารมณ์ดีเดือดกึ่งประชดพร้อมก็หัวเราะดังส น, นั่นอย่าหาว่าเท้าไทยลองดีแล้วนะแม่คุณมีฤทธิ์เดชอะไรก็สำแดงออกมาหนายทหารทาไมพูดอย่างนั้น บุญคาตาเหลือกสาลักออกมาเอาเธอนนะให้มันรู้ไปอดีนตนายทหารปืนใหญ่ยิ่งตะโกนขึ้นยังไม่วัน่นทั้งทั้งที่ขนลุกสู้ชันทั้งกายพวกเราได้ยินเสียงของเธอแล้วความจริงมันก็หวานไพเราะมากอยากเห็นเหลือเกินว่าเธอสวยสักแค่ไหนโผร่ไม่เยินโฉมหน่อยเป็นไรมีแม่ย่านางกลางไทยของใจอะไรก็บอกกล่าวกันได้ ย่ามาทำตัวเป็นศัตรูกับเราอย่างนี้ท่ามกลางความตะลึงของทุกคนชายันป้องปากประกาศออกไปเสียงของเขาดังเอ็ดอึงไปทั้งความเงียบอันน่าสยองใจนั้นเสียงหัวร้องเงียบหายไปอีกครั้งอย่างปราสจากร่องรอยดูราวก็ว่าหูของทุกคนจะฝาดไปพร้อมๆกันอึดใจต่อมานั่นเองก็มีอีกเสียงนึงแ ว, วเข้ามาแทนที่ มันเป็นเสียงของพายุที่กระนำป่าลั่นอือมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วกระแสลมเย็นเฉียบระลอกแรกพัดวูบผ่านทุกคนไปสะทานเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจก่อนที่ใครจะไหวตัวอย่างไรต่อไปนั่นเองฝุ่นจากบริเวณแคมป์ที่พักก็หมุนตลบไปอูฟุ้งเป็นเกลียวราวกับลมบ้าหมูกองไฟดับลงไปในทันทีสิงกิ่งไม้หักสนั่นครืนโคลม บางต้นถอนรากล้มโค่นฟาดลงมาทั้งคณะพังหะกระจัดกระจายไปคนละทางแทบจะตั้งตัวไม่ติดตลอดทั้งแคมป์มืดมิดอนละวุนได้ยินแต่เสียงสายลมที่หวีดหวือปานเสียงคำรามของปีศาจในขุมนรกระวังปืนกับไฟฉายติดมือไว้แล้วทุกคนเราไปรวมกันที่เพิงพักก่อนเร็วเสียงเชตถาตกนกล้องออกมาฝ่าเสียงพายุที่กาลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนั้น หมดพากันวิ่งฝ่าลมตรงไปยังเพิงพักนอนของคณะนายจา้างอันจับว่าปเป็นพี่กําบังที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ท่ามกลางมาหาวาระภัยที่คุก ค, คามอยู่ในขณะนี้ต้นไ ม, ม้ย่อมยอมที่ขึ้นอยู่บริเวณใกล้ที่พักหักล้มฟาดลงมาระเนระนาดกินก้านสาขาของมันเฉียดร่างของทุกคนไปอย่างหวุดหวิดจนต้องหลบกันอย่างชุลมุนชนิดตัวใครตัวมันมาเรียยืนตัวงอเอามือปิดหน้า พาฝุนพัดเข้าตาจนลืมไม่ขึ้นหาทิศทางไม่ถูกแล้วหล่อนก็รู้สึกว่าถูกกระชากเอวปลิวถลาไปล้มอยู่ทางหนึ่งร่างของใครคนหนึง่งคล่อมทับอยู่เหนือร่างมันเป็นชั่วระยะกึ่งอึดใจเดียวเท่านั้นก่อนหน้าที่ตะครอต้นหนึ่งจะหักฟาดรงมายังตำแหน่งที่หล่อนยืนอยู่ต่อมาก็ถูกฉุดแขนให้ลุกขึ้นยืนแลน่นลิวไปด้วยแรงฉุดของคนผู้นั้นมาเรียจำได้ว่าเขาคือพรานใหญ่ รพินไพรวัลเมื่อต่างข้ามาล้มกริ่งอยู่ด้วยกันในบริเวณเพลิงพักในวงล้อมของกลุ่มโขดหินใหญ่รอบด้านบัดนี้ไม้ใบไม้แห้งที่มุงไว้ด้านบนเพื่อกันน้ำค้างปลิวกระจายหายไปหมดสิน้นหรือแต่โขดหินแทนกำแพงห้องถึงยังไงมันก็ย่อมปลอดภัยกว่าที่จะอยู่ในที่โลง่งเพราะถ้าต้นไม้ลมฟ้าทับลงมามันก็ยังติดก้อนหินก่อนที่จะถึงตัวคน ทั้งสิบเอ็ดคนเข้ามาเบียดกันอยู่ภายในบริเวณแคบแคบนั้นอย่างคลุกคลักมันเต็มไปได้วยความฉุกละหุกสับสนไปหมดจากลำไฟฉายหลายอันที่สาดออกไปและเห็นแต่ฝุ่นและใบไม้แห้งไปอูนาทึบมืดคลุมป่ารอบด้านโอนเอ็นไหวสะท้านอยู่ไปมาแต่บางต้นก็สั่นสะเทือนอยู่โค ร, ครมโคลงเรากีมือยักษ์มาจับขยับไฟทุกกองที่ก่อไว้ไม่เหลือร่องรอยให้เห็นอีกเลย มันถูกกวาดกระจายหายไปหมดเพียงชั่วพริบตาเดียวและในท่ามกลางพายุมาหาภัยนี้เองทุกหูก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นแทรกมาในสายลมที่กำลังคลางอื้ออยู่อีกครั้งชั ย, ยันกมาเรียนหน่าซีดเผือดนั่งกอดเมือนจังงางทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะนอกจากเบิกตาโพรงจ้องตามแสงไฟออกไปยังป่าที่ปูนไปด้วยมิกสัญยีอันน่าสะพึงกลัวนั้น ขยินเอาหัวสุกลงไปในระหว่างเขา่ามือทั้งสองควยปิดหัวไว้ตัวสันเทาเป็นลูกนกด้วยความหวาดกลัวขวันเสียเหลือที่จะกล็ดสางตาก็นอนอ้าปาตาเหลือดกลิ้งทับกันนัวเนียอยู่กับเกิดเสยและจันบุญคำนั่งขัดสมาดหลับตาสวดบริกรรมอะไรพรมอยู่ในลำคอเร็วปรือฟังไม่เป็นภาษาเงซายเชษฐาและรพินก็พากันตะลึงไปหมด มันไม่เพียงแต่เสียงหัวเราะอันเย็นเฉียบสยแยงเข้าหัวใจนั้นเท่านั้นแต่มีเสียงประหลาดประหลาดปะปนมาด้วยอย่างจำแนกไม่ถูกเป็นเสียงขู่คำรามเสียงตะโกนและร้องกรีดวีดโวยลักษณะต่างๆประหนึ่งว่าขุมนรกทั้งหมดจะแห่กันขึ้นมาแวดล้อมอยู่รอบที่พักในขณะนี้ระพินนี่เราไม่ได้ฝันไปหรอกเหรอหัวหน้าคณะอุทานออกมา จับปลายพรานใหญ่บีบแน่นบุญคำํำสิงชยันร้องแหบๆทําไมไม่หาทางแก้ให้ตกขืนปล่อยพายุกระหน่าอยู่อย่างนี้ข้าของเราบรรลัยหมดสัมภาระของเราทิ้งอยู่ข้างนอกน่นบุญคําแก้ไม่ไหวหรอกนายทหารปล่อยมันเถอะพวกเราหลบอยู่ในนี้แหละมันจะพังตาก็มันพังไปเราอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรนายทหารน่าไม่ควรจะไปท้าทายเขาดิตาพรานเท่าตอบเสียงสัง่น ครุณาช่วยฉายไฟให้ผมทีครับฉายไปที่กลางแคมป์ตรงที่ผมเคยนอนนั่นผมจะออกไปเอาอะไรหน่อยรพินสัมรวมสติได้อีกครั้งกระซิบบอกเชฐิฐาไม่เหมาะละมั้งทําไมเหรอคุณจะออกไปเอาอะไรไป ห, หลังของผมครับมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นบางทีเราอาจจะยุติความวิปริตอาเพศนี้ได้เขาตอบเร็วหัวหน้าคณะจ้องหน้าในความมืดอันโอลวุนนั้น แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วตามนิสัยทั้งๆที่เต็ไมไปด้วยความพิศวงไม่ได้เอ่ยซักอะไรอีกพยักหน้าแล้วก็ใช้ไฟปราดลงออกไปยังตำแหน่งกองสัมภาระที่รพินและพวกลูกหากใช้เป็นที่นอดพรานใหญ่แล่นออกจากที่กำบังฝาพายุเข้าไปโดยเร็วทุกคนเห็นเขาหรือค้นอะไรอยู่ชั่วอึดใจท่ามกลางกระแสลมที่พัดจนตัวสวนเซไปมาอใจเดียวก็หิ้วเครื่องหลังของเขาวิ่งเข้ามาวางลง พยายามรื้อค้นอะไรอยู่ครู่ปากก็ร้องบอกให้เชิดถาช่วยส่องไฟให้สิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาเป็นไท่สีคล้ำเก่าคร่ำครา่าเล็กๆใบหนึ่งลักษณะเป็นไท่สำหรับใส่เครื่องรางของขลังอย่างเช่นที่พวกชาวป่านิยมใช้กันจัดการรูดปากไท่ออกอะไรนั่นและจะทำอะไรเชิดากับชัยยันถามขึ้นพร้อมกันอย่างสงสัยอีกหลายคนก็เบียดกันข้ามามุงดูช่วยกันฉายไฟให้ ระพิงแยกเขี้ยวยิ้มค่อยๆเขย่าเทวถุกอันเป็นชิ้นเล็กๆ ล, ลักษณะต่างๆออกมาจากท้อย่างระมัดระวังไว้บนฝ่ามืออีกข้างหนึง่งผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมีอะไรอยู่หลายๆอย่างในนี้หนานไพรณ์ถอดออกจากคอแกมอบให้ผมไว้เมื่อก่อนที่แกจะตายแล้วก็บอกวิธีผมไว้ด้วยว่าถ้าพบก็อะไรก็ตามในป่าที่ผิดธรรมชาติให้นามันออกมาใช้ผมเองก็ไม่เคยสนใจมาก่อน เดี๋ยวนี้เราจะลองดูนะครับเหมือนน้ำยอ่อก็ต้องเอาน้นาบกสิ่งที่ทุกคนเห็นพรานใหญ่เคียวเลือกไว้ในอุ้งมือจากบรรดาวัตถุปแปลกๆหลายชิ้นปะปนกันอยู่เหมือนกองขยะนั้นเป็นเบ็ดเล็กๆหนึ่งตัวเข้าสารเจเม็ดเส้นไวขนาดเท่ากันนิ้วก้อยที่ตัดไว้สั้นประมาณครึ่งองคุลีกรวดสีดำเม็ดเล็กๆลักษณะเหมือนเหล็กไหลเศษหินจากสะเก็ดดาวแล้วก็โลหะผสมเนื้อชิ้นอีกชิ้นหนึ่ง นอกนั้นเขาเขี่ยกลับเข้าไถ่ตามเดิมบา ก, ก็ร้องบอกชัยยันให้เอากระสุนลูกซองมาแกะเอาลูกปลายออกซะชัยยันปฏิบัติตามคําสั่งโดยเร็วใช้ปลายมีดพับแงะฝากระดาษของกระสุนลูกซองออกเทลูกปลายทิ้งและส่งมาให้ครับพรานใหญ่รับมาบรรจบเทสิ่งที่ถืออยู่ในมือลงไปในปลอกกระสุนเอาฝาปิดอัดไว้ตามเดิมแล้วยกขึ้นจบนิ่งเหนือศีรษะครูเดียวก็บรรจุลูกปืนนัดนั้นลงในรังเพลิง F.N. กึ่งอัตโนมัติ ที่เรียกออกมาจาักจั่และสองปากกระบอกขึ้นเป็นมุม45องศาหันออกไปยังป่าที่ปันป่วนแทบถล่มทลายอยู่ด้วยพายุและสับประสาเนียงอันลึกลับหน่ากลัวะกระหึมแท่อยู่นั้นเขากระดิกนิ้วลั่นไกตูมออกไปในอึดใจนั้นเสียงของมันดังกระหึมกลบเสียงพายุคำรนอยู่มีกังวานซาอย่างประหลัดและทุกคนก็ขนหัวลุกชันขึ้นพร้อมกันหมด เมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนหลายๆคนร้องโอดโอยขึ้นเซงแซ่ฟังไม่เป็นสั ป, ประสัมเนียงชัดเจนนะักเสียงกรีดแหลมยาวเหมือนสัตว์บางชนิดได้รับความเจ็บปวดเสียงตาแตกคึกประหนึ่งว่ากองทัพของอะไรสักอย่างหนึ่งที่แทระตัวอยู่ในพายุกระเจิดกระเจิงถอยร่นไปสลับกับเสียงกูตะโกนซึ่งจางหายไปเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็เงียบหาย ทายุที่โหมกระนำอยู่บัดนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและแล้วไม่ถึงชั่วกรั้นหายใจมันก็สงบนิ่งลงเป็นดุจสีภาพเหมือนเดิมราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นภาพฝันร้ายเหลือพยานความจริงไวใ้ให้เห็นแต่เฉพาะทาบของต้นไม้ที่ล้มโค่นอยู่เกลื่อนกลาดรพินทลันลุกขึ้นยืนตะลึงงงในปรากฏการณ์แสนมหัศจรรย์นั้นไปอีกครั้ง ในขณะที่ทุกคนอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวชายันนั้นถึงกับยกแขนตนเองขึ้นกัดเฉถากมามเรียนนั่งตัวแข็งอยู่เช่นนั้นแทบจะไม่เชื่อหูเชื่อตาตนเองเสียไม่ได้เสียงพวกพรานพื้นเมืองโห่ร้องเอ็ดอึงส น, นันวันไว้ภากันลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจจนบอกไม่ถูกนายเด็ดแท้นายรับมือวันไว้ได้แล้วบุญคารองลั่นขวัญของทุกคนในขณะนี้กลับเริ่มดีขึ้น ในทันทีนั้นเชษฐากระโดดขึ้นมายืนเคียงข้างพรานใหญ่กวาดไฟฉาย ใ, ในมือสำรวจยังแนวป่ารอบด้านซึ่งบัดนี้แทบจะเรียกได้ว่ากลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมคงเหลืออยู่บ้างแต่เพียงปลายกระแสลมอ่อนๆเท่านั้นชยันก็กรลากเข้ามายืนเคียงคู่อยู่อีกด้านหนึ่งผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันครับพี่ชัยันเพราะนี่มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็พิสูจน์ออกมาได้แล้วว่า อำนาจลี้ลับเหนือธรรมชาติมันมีจริงและสามารถไผอิทธิพลเข้าคุกคามเราได้อำนาจของขลังที่จะแก้กันให้ตกก็มีจริงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะนํามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้นโชคดีหรือเกินครับที่ผมมีเครื่องรางของหนานไพรติดตัวมาด้วยโดยไม่คว่างทิ้งซะเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องหลิวไหลไม่เคยคิดเชื่อมาก่อนว่ามันจะให้ประโยชน์อะไรได้จนกระทั่งเห็นประจักษ์ชัดกับตาเดี๋ยวนี้เอง หัวหน้าคณะพืมพรมเต็มไปได้วยความอบอุ่นเชื่อมัน่นของเหล่านี้ผ่านเข้าพิธีปลุกเสกไว้ด้วยอิทธิอำนาจอันขลังที่สุดเพื่อสำหรับแก้อาถันมีอยู่หลายอย่างที่มีคุณสมบัติด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเศษไหว้นั่นคงจะต้องตัดมาจากไหวยที่เขาใช้เข้าพิธีลากลูกนิมิตเวลาสร้างบุตรพวเหล็กไหลประหลอดหินจากสะเก็ดดาวและบิดสิ่งเหล่านี้ทางไสยศาสตร์ถือว่าเป็นของขลัง ที่มีอำนาจอยู่ในตัวของมันเองอยู่ก่อนผมเคยได้ฟังมาก่อนเหมือนกันในเรื่องเหล่านี้แต่ก็เพิ่งจะมาเห็นชัดกระตาเดี๋ยวนี้เองว่ามันเป็นความจริงคุณไหวดีหลือเกินระพินที่คิดถึงพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วอัดใส่ลูกปืนยิงคมอาถรรพ์ออกไปมันได้ผลอย่างศักดิ์สิทธิ์ทันตาเห็นทีเดียวท่านใดนั้นเองระหว่างที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นยินดีอยู่กับปรากฏการณ์ประหลาดอันเกิดจากลูกปืนลงอาคมของพรานใหญ่ ก็ต้องสะดุ้งเฮือกใจหายวาบขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงมาเรียร้องแหลมขึ้นน้อยอยู่ไหนนี่ใครเห็นน้อยบ้างทั้งหมดหันขวับพร้อมกับไฟฉายที่สาดจ้ากระาดไปมาในบรรดาพวกกันเองที่ยืนจับกลุ่มกันอยู่ภายในบริเวณเพิงนอนแคบๆนั้นสิงเชษดถากับชั ย, ยันตะโกนเรียกราชสกุลสาวก้องขึ้นพร้อมกันทุกคนเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เอง ว่าดารินวราริธไม่ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยในจํานวนคณะทั้งหมด11คนนั้นและไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าหล่อนอันตราธานไปอยู่ที่ไหนตั้งแต่เมื่อใดต่างกวาดไฟฉายค้นหาและสอบถามการอนุมานไปหมดด้วยความตกใจเหลือที่จะกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกลเหุกทำกลางความตื่นตระหนกดารินได้สูญหายไปตั้งแต่เมื่อใดเพิ่งจะรู้ตัวขึ้นมาก็เพราะมาเรียวโวยวายขึ้น การสอบถามกันเองไล่เลียงลำดับภาพมาก็สรุปผลลัพธ์ออกมาได้ว่าทณะที่เชิฐาชัยยันและมาเรียตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะอะของพวกพรานพื้นเมืองและพากันวิ่งออกมาจากที่นอนนั้นทุกคนไม่เห็นดารินร่วมอยู่ด้วยเทว่าตอนนั้นไม่มีใครทันเฉลียวใจคิดเพราะความฉุกเฉินโอนลลามันที่เกิดขึ้น ทั้งคณะพากันยืนตะลึงตัวเย็นจ้องหน้ากันเองไปมายุ่อึดใจใหญ่เชษฐาชายันและมาเรียช่วยกันเลิกผ้าบแบลงเก็ตผืนใหญ่ที่อาศัยคลุมนอนทั้ง4ี่คนขึ้นจ้องมองไปยังตำแหน่งที่ดารินเคยนอนและช่วยกันสำรวจไปรอบๆสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นก็คือเข็มขัดปืนสั้นของหล่อนที่กองทิ้งอยู่ตรงบริเวณหัวนอนซึ่งมาเรียบอกว่าหลอนเป็นคนถอดออกจากเอวของราชสกุลสาว ด้วยมือเองและวางไว้ตรงนั้นขณะที่พาดารินเข้ามานอนเมื่อตอนหัวคับภายหลังจากที่นักมานุษยวิทยาสาวเกิดอาการไม่สบายขึ้นโอ้พระเจ้านี่มันหมายความว่าอะไรกันนี่นี่น้อยหายไปไหนมาเรียครางออกมาด้วยเสียงสั่นเครือหน้าซีดเผือดมือทั้งสองกลุ่มอยู่เหนือโซงอกอาการของหล่อนดูเหมือนจะเป็นลมเชื้ทากชยันก็มึนงงทาอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ แล้วก็มาได้สติเมื่อเสียงฮห่าวหๆาของระพินดังทําลายความเงียบงันขึ้นมาลองช่วยกันคิดดูให้ดีสิครับเราจะต้องหาเวลาสุดท้ายที่ใครเห็นคุณหญิงนั่นจะช่วยเราได้เวลาใกล้เคียงที่สุดกับเวลาที่เธอหายไปมิอยู่เพียงสามคนเท่านั้นที่ใกล้ชิดกับคุณหญิงที่สุดในขณะที่นอนอยู่ในเพิงนี่คุณชายคุณชายยันแล้วก็เมพวกผมน่นอนกันอยู่ข้างนอก และไม่เห็นคุณหญิงอีกเลยนับแต่เธอไม่สบายแล้วเข้าไปนอนเมื่อตอนหัวคำ่ำแล้วมาตอนที่เกิดเหตุก็เห็นเพียงคุณชายคุณชายยันแล้วก็เมสามคนเท่านั้นที่วิ่งออกมาจากเพิงพักนี่น้อยนอนอยู่ในระหว่างขนาบของผมกับเมถัดไปก็เป็นชายยันหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแห่พระรีตาลกพยายามนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะหลับไป ตอนที่เขาไม่สบายเมประคองเข้ามาผมก็เดินตามเข้ามาด้วยภายหลังจากกินยาแล้วเขาก็นอนเมย์เป็นคนถอดเข็มขัดปืนและห่มผ้าให้ผมนั่งสูบบุหรี่คุยกับเมยอยู่ครู่เห็นเขาเงียบไปก็แน่ใจว่าหลับสนิทจึงลงนอนบ้านแล้วผมก็หลับไปเลยมาตื่นขึ้นอีกครั้งก็ตอนที่ตกใจเสียงเอะอะแล้วก็พรวดพราบวิ่งออกไปตอนนั้นไม่ทันสังเกตว่าน้อยนอนอยู่ที่เก่าหรือเปล่า แล้วพินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่มาเรียแม่สาวก็บอกมาโดยเร็วลิ้นพันกันว่าฉันก็เหมือน ก, นกันกับพี่ใหญ่นั่นแหละฉันนอนพร้อมเขาแล้วก็หลับไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาครั้งสองครั้งเหมือนกันสัมผัสก็บอกว่าน้อยยังนอนอยู่ที่เดิมเพราะเบียดชิดกันอยู่แต่ไม่ได้ลืมตาขึ้นดูมาตื่นขึ้นอีกครั้งก็คือตอนนั้นไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันฟาปึงกับไฟฉายได้ก็วิ่งออกมา ถ้าเช่นนั้นคุณชัยยันก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณหญิงเพราะขณะที่สามคนเข้าไปนอนแล้วนั้นคุณชัยยันยังนั่งคุยอยู่กับผมแล้วกลับเข้าไปนอนทีหลังใช่แล้วผมเป็นคนเข้านอนทีหลังชัยยันตอบเร็วหรือตอนที่เข้ามานอนก็สาบานได้นะว่ายังเห็นน้อยนอนหลับอยู่เป็นปกติขณะนั้นเชษฐาก็หลับแต่เมย์ยังไม่หลับสนิทนักเพราะตอนที่ผมล้มตัวนอน เม่เป็นคนสลัดผ้าห่มแบ่งให้ผมขณะที่ตื่นขึ้นเมื่อตะกี้ก็ไม่ทันสังเกตอีกเหมือนกันว่าน้อยอยู่หรือเปล่าระพิงกัดริมฝีปากแน่นพึมพำออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมสั่งให้พวกนี้นอนกันทั้งหมดโดยไม่มีใครอยู่ยามเลยเพราะกล่าวว่าเอาแรงไว้สาหรับเตรียมเดินทางพรุ่งนี้ตัวผมเองก็หลับสนิทไปครึ่งคืนแต่เจ้าพวกนี้คงไม่มีใครหลับสนิทนัก พระถูกภาพฝันร้ายเข้ามารบกวนอยู่ทุกคนแล้วเขาก็หันไปสอบถามคนของเขาทุกคนแม้กระทั่งส่างปาและแงายเป็นรายตัวไปทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีใครเห็นดารินโผลอกมาจากเพิงพักนอนเลยบรรยากาศอันเคร่งเครียดเต็มไปด้วยสังหรณ์ร้ายปกคลุมไปทั้งคณะต่างกระสับกระส่ายเต็มที่แงายบุญคําและขยินออกสํารวจดูบริเวณใกล้เคียงกับเพิงพักนอนโดยเร็ว แต่ก็ไม่มีร่องรอยของอะไรที่จะแปลกปลอมผิดสังเกตปรากฏให้เห็นนอกจากรอยเท้าของพวกกันเองที่ย่ำไว้กราดเกลือนนึกออกไหมขณะที่นั่งกินข้าวเย็นกันอ ย, อยู่อยู่น้อยก็ฟุบหมดสติไปเฉยเฉยอ่ะชายันกระซิบขึ้นมองไปยังเชิท้าและพรานใหญ่มันน่าจะเป็นลางบอกให้เรารู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่าง และมันต้องเกี่ยวข้องกับที่น้อยหายไปอย่างลึกลับนี่แน่ๆนะแต่ตอนนั้นพวกเราไม่ทันเฉลียวคิดจริงของแกชายันฉันก็เพิ่งจะคิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองเชิดหางเอ่ยแทบไม่มีเสียงคุณคิดยังไงไพวันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่เหรอที่อยู่ไม่อยู่น้อยจะหายตัวไปเฉยๆแบบเดียวกับ ล, ล่องหนถ้าไม่ใช่อะไรสักอย่างเอาตัวเข้าไปเขาจะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยตนเองและนั่น มันต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างสิมาเรียหันมาพูดกับพรานใหญ่และเขาก็เห็นด้วยกับเหตุผลของแหม่มสาวถูกของหล่อนละการสูญหายไปของดารินจะต้องมีร่องรอยอะไรให้เห็นไว้บ้างแระจะสะกุลไม่ได้ละลายหายไปเป็นอากาศสะท้าในขณะที่นอนหลับอยู่แน่ๆขณะเดียวกันก็ไม่ได้ติดปีกบินไปอะงั้นช่วยกันกระจายค้นหารอยเถอะครับรบพินกล่าวโดยเร็ว แล้วสั่งการกับคนของเขาแงซายสั่งปาขยินและพรานพื้นเมืองทั้งสี่ก็แยกกันออกตรวจรอบๆ บ, บริเวณที่ตั้งแคมป์ในทันทีนั้นรับพินกับคณะนายจ้างและมาเรียก็ออกสำรวจไปอีกทางหนึ่งโดยอ้อมไปทางหลังละเมะด้านที่ฝังศพด็อกเตอร์ฮอปมันไว้แล้วก็พบกับความหนักใจเป็นอย่างยิ่งพื้นดินปนหินบริเวณรอบเหล่านั้นแห้งและแข็งมากไม่มีร่องรอยอะไรที่จะสังเกตได้ชัดเลย ระหว่างที่ช่วยกันเอาไฟฉายส่องกวาดไปตามพื้นและพุ่มพงเขาก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นนอกจากซากต้นไม้ที่ล้มอยู่ระเนรนาศอันเกิดจากพายุวิปริตเมื่ออึดใจใหญ่นี้ดารินสูญหายไปไหนไปอย่างไรและทำไมนี่เป็นปัญหาที่ขบคิดอยู่ในสมองอันประวันวาดของทุกคนความรู้สึกของแต่ละคนในขณะนี้ ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ระนักได้ประการเดียวว่าสถานการณ์ร้ายขีดสุดมันได้เกิดขึ้นกับคณ ะ, ะแล้วโดยรูปการที่ทำนายอะไรไม่ถูก ผู้ใหญ่ต่อมาทั้งหมดที่กำลังส่องไฟตรวจหารอยอยู่ก็ได้ยินเสียงกูเรียกของใครคนหนึ่งดังขึ้นมาจากลำธาร น, น้าเบื้องล่างต่งลดตามเสียงลงไปทันทีแสงไฟฉายหลลาสาดไปมาวูบวับและในลำแสงนั้นอีกเก้าคนก็แลเห็นแงซ า, ายกับสางปลายืนอยู่ริมฝั่งธารด้านตรงข้างกำลังโบกมือเรียกทุกคนมาด้วยอาการอันร้อนรนกระสับกระส่าย ระพินออกแล่นลงไปตามทางด่านหลุยข้ามทานน้ำตรงเข้าไปถึงทั้งสองเป็นคนแรกติดตามด้วยเชษฐถาชายันและมาเรียชั่วพริบตาเดียวคณะทั้งหมดก็มายืนรวมกลุ่มกันอยู่ยังบริเวณฝั่งทานนั้นและทุกคนก็มองเห็นหลักฐานร่องรอยที่แงาซายกระสังปาค้นพบด้วยความมหัศจรรย์ใจพื้นลำทานตำแหน่งนั้นเป็นดินอ่อนบนทราย รอยเท้าย่อมยมจากรองเท้าเดินป่าคู่หนึ่งเหยียบประทับไว้และเห็นชัดเจนรอยนั้นปรากดอยู่ทั้งใต้พื้นน้ำตื้นตืนและย่ำเป็นทางขึ้นไปยังริมฝั่งชายน้ำใบหน้าขึ้นสูตะลิงและตัดเข้าป่าฝากตรงข้ามพอพิจารณาเห็นได้ทันนักทั้งเชษฐาและชายานก็อุทานอ่าพร้อมๆกันว่าน้อยไม่มีปัญหาทุกคนจาได้อย่างแม่นยา รอยเท้าชนิดนี้จะเป็นของใครไม่ได้นอกจากมวมราชวงศ์หญิงดารินวราริ์ตรงตำแหน่งที่ย่ำไว้ริมน้ำยังปรากฏรอยขุนจางๆแสดงว่าเจ้าของรอยผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เองตรงที่เป็นพื้นแห้งเหนือฝั่งขึ้นไป ก็ยังปรากฏรอยเปียกจากน้ําที่ติดพื้นรองเทา้าขณะประทับพื้นดินเห็นได้ชัดจากลักษณะร่องรอยที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ทันทีว่านักมานุษยวิทยาสาวได้ออกเดินจากบริเวณแคมป์ในเวลาหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองลุยตัดข้ามลาําธารแล้วหายเข้าไปในป่าใหญ่ฝากตรงข้างการพบรอยเท้าของหล่อนโดดเดี่ยวโดยไม่มีร่องรอ ย, อยอย่างอื่นเข้าปะบน ย่อมบอกให้ทราบได้ว่าลอนเดินไปด้วยตัวเองเพียงคนเดียวตามลำพังท่ามกลางราตรีสยองขนไม่มีอาวุธใดๆติดตัวอยู่เลยแม้แต่ปืนสั้นซักกระบอกหนึ่งไม่มีแม้แต่ไฟฉายภาพของร่องรอยหลักฐานที่เห็นอยู่ในขณะนี้แทบว่าจะทำให้คณะทั้งหมดช็อกไปด้วยความตกใจและค้นหาคำตอบไม่ถูกไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี้เอง อาจก่อนเวลาที่เกิดพายุเพียงเล็กน้อยหรือมิฉะนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดพายุนั่นแหละจอมพรานพึมพำแแหบมันหมายความว่าอย่างไงกันนี่เชษฐาพูดด้วยเสียงที่แทบไม่ผ่านริมฝีปากออกมาตาเบิกโคลงจ้องสำรวจรอยเท้าของน้องสาวหัวใจแทบจะหยุด ระพินปาดแขนขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากซึ่งเต็มไปได้วยริ้วรอยยน่นสีหน้าของเขายามนี้ดูกล้านเกรียมปราศจากความรู้สึกประหนึ่งภาพแกะสลักจากหินหยาบๆยบไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นแต่สาวรอยขึ้นไปบนฝั่งตะลิงอันสูงชันอย่างรวดเร็วแล้วมาหยุดยืนชะงักกราดไฟสำรวจทีทวนอีกครั้งหัวหน้าคณะและชัยยันก็สาวเท้าตามติดเข้ามาในขณะที่มาเรียส่งภาษาพม่า ก, กับส้างปลาเร็วปรือ กระโดดขึ้นเนินตะลิงอีกด้านหนึ่งออกตรวจในรัศมีที่แยกห่างออกไปทางด้านซ้ายมือแง่ซ้ายกับขยินก็ค้นไปทางด้านขวาแต่ชั่วครู่เดียวทั้งสองฝ่ายที่แยกออกไปก็ย้อนกลับเข้ามาบรรจบกับระพินอีกครั้งมีแต่รอยของน้อยเพียงคนเดียวมาเรียพูดร้อนรนเสียงสั่นอยู่เช่นนั้นมันแปลว่าระหว่างที่พวกเราทุกคนหลับไม่รู้สึกตัว น้อยได้แอบนี้ออกมาจากที่นอนแล้วเดินลงจากแคมป์ข้ามลาห้วยนี่มาตามลาพังยังผิดปกติวิสัยที่สุดฉันกระสังปาพบรอยเท้าของเขาเดินเลาะลัดวนเวียนอยู่ในระหว่างพุ่มไม้และก้อนหินด้านโนนเรากลับจะเดินชมดงเล่นอย่างสบายอารมณ์ทีเดียวเป็นการเดินวกเวียนไปมาในสภาพปกติไม่ได้มีอาการรีบร้อนสังเกตจากรอยเท้าที่สม่าเสมอได้ระดับหลังพุ่งมะลิปา่า ริมโขดหินนั่นก็มีรอยหยุดและช่อมะลิป่าช่อหนึงก็มีรอยหักเด็ดไปใหม่ๆและมันก็จริงตามรายงานของมาเรียรพินทลันพรวดตรงไปยังตำแหน่งที่แม่มสาวบุยปากบอกพบรอยเท้าของดารินเดินทอดน่องไปตามรุมสุมทุมพุ่มไม้ประหนึ่งหล่อนจะท่องเที่ยวชมดงยามวิการเล่นด้วยสายตาและประสาทสัมผัสประหนึ่งสัตว์ป่าที่แลเห็นทางในเวลากลางคืน และมาหยุดอยู่ที่โดงมาลิปา่าซึ่งส่งกลิ่นหอมเย็นช่อหนึ่งมีรอยเด็ดหักไปใบละเศษของดอกบางส่วนยังร่วงอยู่ชยันหินข้าวเช่นนั้นก็ครางอยู่ในลำคอฟังไม่เป็นภาษาตาเหลือกด้วยความหวาดสยองขีดสุดในความวิกลวิการผิดธรรมชาตินั้นเชฐานหน้าซีดจนเขียวพยายามรวบรวมสติคุมไว้มั่น รอยเท้าเหล่านั้นเป็นรอยเท้าของน้องสาวผมแต่พฤติการมันไม่ใช่น้องสาวของผมซะแล้วอ่ะอดีต ท, ท่านทูตทหารบกกล่าวอย่างยากเย็นราวร้อนวันวิตกจนแทบทนไม่ได้ต่อไปรันแล้วพันทีนั้นก่อนที่ใครจะไหวตัวเช่นไรต่อไปนั่นเองกระแสเสียงชนิดหนึ่งก็ลอยฟาฟามเงียบตามลมโชยมาสัมผัสโสดอีกครั้งมันเป็นเสียงหทำทานองเพลงอันแสนที่จะเยือกเย็น ดีลาฟังคล้ายๆเป็นเหกลอมในแบบบ้านป่ามีแต่เสียงเอื้อนเท่านั้นไม่มีถ้อยคำร้องกระนั้นมันก็ไพเราะจับจิตพอๆกับสถานคั่วใจสุดประสาทของใครไม่ได้ฝาดใบทั้งสิน้นเพราะได้ยินกันทั้งหมดกลิ่นดอกมะลิป่ายังหอมจัดตลบอบอวนไปหมดทั้งราวป่าจนทำให้บังเกิดอาการวิงเวียนขยินตาเหลือตั้งท่าจะเพนตามระษาคนที้คลาดผีอย่างมัน ตะบุญคำคว้าคอไวมั่นคนอื่นๆยืนสงบอยู่กับที่แทบไม่หายใจชั่วขณะเดียวเท่านั้นที่เสียงลึกลับนั้นแว่วมาแล้วมันก็จางหายไปรพินสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงแล้วออกติดรอยของดารินเท่าที่พอจะสังเกตเห็นได้เหล่านั้นไปโดยเร็วทั้งขบวนก็ติดหลังเข้าไปอย่างกระชั้นชิดรอยเท้าของหญิงสาวเดินแวะเวียนไปตามกอดอกไม้ป่า แล้วก็ตัดทางด่านไต่ขึ้นเนินเขาฝั่งตรงข้ามบุญคำที่เดินเคียงคู่ไปกับพรานใหญ่สะกิดแขนโดยแรงกระซิบเบาที่สุดไม่ผิดหรอกนายนายหญิงจะต้องตรงไปที่ตะเคียนต้นนั้นระหว่างที่ยืนงงกันอยู่เสียงหัวเราเยือกเยื่อก็กังวานแผ่วเบาลงมาจากเบื้องบนเหนือศีรษะของทุกคน ไฟใช้ทั้ง11กระบอกก็ประสานกันพุ่งปราดขึ้นไปในบัตรนั้นและต่างก็ยืนตัวเย็นเหมือนถูกสาบให้กลายเป็นหินอ่อนในภาพที่ปรากฏกับคล้องจักสุกลางลำต้นอันเป็นคาคบแรกซึ่งขึ้นแซมเป็นที่เลื้อยพันธ์ของเถาวันประดับไปด้วยเอื้องพึ่งออกช่อเหลืองอารามร่างหนึ่งนั่งเอนอย่างทอบอารมอยู่บนกิ่งเถาวันย้อยประดุดสายชิงชาธรรมชาติ ขณะที่แกวงไกวโยนตัวน้อยๆอย่างแช่มช้าเป็นจังหวะโดยเครื่องแต่งกายที่แลปราบเดียวก็บอกได้ทันทีว่านั่นคือดารินแต่คุณพระช่วยใบหน้าวงนั้นซึ่งปรากฏขาวนวลอยู่กลางแสงไฟในขณะนี้ทุกคนสาบานได้ว่าไม่เคยเห็นมัด ก, ก่อนมันเป็นใบหน้าของดารุนีหนึ่งที่แกะออกมาจากภาพวาดในจินตนาการอันแพลวเพิดของจิตรกรผู้เพ้อฝัน มอมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์เป็นคนสวยก็จริงแต่หล่อนไม่ได้สวยจนผิดธรรมชาติของมนุษย์ปุทุชนเช่นกระใบหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้ช่อมลิปาทัดอยู่บนกลุ่มผมข้างหูที่คอประดับด้วยมาลายดอกเอื้องหลากสีดวงตาทั้งคู่กระทบแสงไฟเป็นมันคลับท่อจับนิ่งลงมาพร้อมกับริมฝีปากที่มีรอยยิ้มน้อยๆด้วยอาการหยัน ระยะนั้นห่างจากระดับที่ทุกคนแงนเงยตลึกค้างอยู่ขึ้นไปประมาณห6เมตรบริเวณชิงช้าเทาวันประดับไปด้วยดอกดวงของกล้วยไม้ป่าอัน ง, งดงามดุดฉากวาดนั้นดูประหนึ่งจะมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นด้วยตัวของมันเองน้อยมาเรียร้องสุดเสียงขยักจะถลันเข้าไปแต่เชิดถาคว้าไหลไว้อย่างรวดเร็ว กดให้แม่สาวชังงักนิ่งอยู่กะที่เช่นนั้นย่าเม้นั่นไม่ใช่น้อยอยังน้อยก็ไม่ใช่ในขณะ น, นี้ร่างนั้นคงทอดกายไหวชิงช้าเถาวันน้อยๆ อ, อยู่ตามเดิมอย่างเฉยเมยรพินหลับตาสะบัดหน้าแรงๆอีกครั้งแล้วลืมขึ้นจ้องจากจากสุภาพที่สะท้อนเข้ามาในแก้วตาเขาเลยเห็นภาพใบหน้าเดิมของน้องสาวนายจ้าง ถูกซ้อนคลุมเครืออยู่ด้วยใบหน้าอันงามประหลาดนั้นอย่างเลือน ๆ, ๆรางๆเราบับว่าจะเกิดขึ้นจากภาพลวงตาในขณะนี้สายตาอื่นๆจะมองเห็นเหมือนเขาด้วยหรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่ทุกคนก็ได้แต่ตะลึงจังงังกันหมดพรานใหญ่วางปืนกับไฟฉายลงกับพื้นก้าวล้ําออกไปเบื้องหน้าของทุกคนแล้วถอดหมวกออกท่านจะเป็นใครก็ตาม หากว่าสิ่งใดที่พวกเราทั้งหมดได้ลวกเกินต่อท่านไปแล้วโดยมิได้เจตนาเราทั้งหมดก็ขอคำ ม, มาต่อท่านโปรดจะได้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยเขาประกาศขึ้นโดยภาษาชาวเขาแขนงหนึน่งดังก้องไปทั้งความเงียบที่แทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นนั้นทุกคนเห็นริมฝีปากนั้นแย้มสยายออกไปแล้วเสียงอันเย็นช่ากลางวานใสก็ตอบ กลับออกมาเป็นภาษาเดียวกันอย่างแช่มช้าชัดเจนได้ยินทั่วกันทุกคนสาบานได้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของดารินวราฤทธิ์นายพรานใหญ่ในอาณาจากักรไพรอันกว้างใหญ่ไพศาลท่านย่อมเจนจบุบและตระหนักได้เป็นอันดีในสิ่งที่ควรไม่ควร ตัวท่านเองไม่ได้กระทําการบังอาจลบหลู่รุกรานต่อเราและเราเองก็คารวะยกย่องในสัจจะแห่งพรานใครเช่นท่านแต่คณะของท่านอาจไม่เข้าใจสิ่งนี้ส่วนท่านในฐานะผู้นำก็ไม่พยายามที่จะช่วยให้เขาเข้าใจดังนั้นแม้ท่านจะไม่เจตนามินก็เหมือนมินเราในข้อนี้ และใบหน้านั้นก็แงนขึ้นเพลงเสียงหัวร้อง ก, กึกก้องออกมาพลางกล่าวต่อมาเราได้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงท่านแล้วแต่ท่านก็มีพักจะสนใจหญิงอยู่สัต์จะแห่งพรานไายอันเคร่งของท่านสร้างให้เกิดตบะและพลังอำนาจท่านขับไล่สกัดกั้นบริวารของเราทั้งหลายให้แตกพ่ายถอยร่นไปได้ แต่ท่านอย่าคิดว่าจะมีช้อยู่เหนือเราถ้าหากจะกระทำตนเป็นศัตรูต่อกันระหว่างที่เชษฐาชัยันและมาเรียยืนตะลึงต่อการประจันหน้าโต้อตอบนั้นจอมพรานซึ่งทำหน้าที่ตัวแทนของคณะทั้งหมดสันศีรษะช้าๆกล่าวตอบไปว่าเราและพวกเราทุกคนไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูต่อท่านเลยขอได้โปรดรับขมาโทษจากเราด้วย ขออย่าให้เกิดเหตุร้ายแรงใดๆมากไปกว่านี้ท่านมีทิพพยศภาพเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์และอยู่เหนือภาวะของมนุษย์โลกอันต่ำต้อยการข้องเกี่ยวอยู่ในอารมณ์และอกุศลอันเป็นกิเลสในชั้นของมนุษย์รังแต่จะทำให้ท่านมัวหมองและห่างไกลาจากภพภูมิที่ท่านปรารถนาออกไปอีกดวงตาอันวาววับราวกับดาวเพลิงจับนิ่งมาที่จอมพรานอย่างชงนสนธิ วงหน้าอันงามระคนไปกับความหน้าสะพึงกลัวปรากฏแววอ่อนโยนลงหัวเราะเบาๆอย่างพึงพอใจพรานท่านฉลาดในคำพูดและมีปัญญาลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจกฎอันแท้จริงของธรรมชาติเราไม่ได้คิดที่จะก่อเวรใดๆกับคณะของท่านแต่เราต้องการให้พวกท่านทั้งหลายได้สำนึกในสิ่งที่ควรและไม่ควรเท่านั้น ยงบอกให้นายของท่านขอขมาต่อเราเสียระพินหันไปทางเชษฐากระซิบอธิบายให้ทราบหัวหน้าคณะถอดหมวกออกก้มศีรษะให้เราขอขมาโทษต่อท่านโปรดอภัยให้ด้วยเถอดดีมากเราก็ต้องการเพียงแค่นี้แหละรอนตอบเชิฐถามาด้วยภาษาไทยกลางเช่นเดียวกับที่เขาได้กล่าวออกไป แล้วเสยะ ย, ยิ้มชี้หน้าแงซรายเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษากรีกอย่างแคล่วคร่องส่วนเจ้าไอ้คุณพนเนจรผู้ทะรนงข้ารู้ว่าเจ้าคือใครและต้องการอะไรในการเดินทางมากับคณะนี้แต่นั่นไม่ใช่กิจของข้าเจ้าเป็นผู้ก้าวร้าวและโอหังแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามสิ่งที่ข้าต้องการจากเจ้าก็คือเลือดของเจ้าสามหยด ยงหลังมันออกมาและหยาดลงสู่พื้นดินเป็นบาดพลีสังเวยให้แกบริวารผู้เฮียนกระหายของข้าหาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะตามหาโอกาสสูบเอาจากร่างของเจ้าจนหมดร่างอันสูงตรังงานของแง่ทรายยืนขึ้นเต็มส่วนสัตว์อย่างห้าวหาญต้าช้าๆออกมายืนอยู่เบื้องหน้าของร่างที่ประดิ ษ, ษฐานอยู่บนชิงช้าเถาวันนั้นแล้วดึงมีดเน็บออกจากเอว ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นชูสูงจะรดปลายมีดอันคมกรีดลงไปบนเนื้อเลือดสีสดทะลักพรั่งออกมาในพริบตาจอมพอระเนจรปล่อยให้เลือดไหลาจากบาดแผลหยดลงกระทบพื้นดินครบสามหยดและเอามือตบอุดบาดแผลไว้เราพรีเลือดทดแทนเป็นสังเวยให้แกท่านแล้วพวกเราทุกคนขอขามาโทษต่อท่านแล้ว ต้องคืนนายหญิงให้กับพวกเราเถิดโปรดอย่าให้เธอได้รับอันตรายใดๆแม้แต่นิดหนึ่งแงสายร้องบอกขึ้นไปด้วยเสียงห้าวกังวลนางพรายตะเคียนในร่างของหมอมราชวงศ์หญิงดารินหัวเราะแหลมใสเอาละข้าจะคืนนายหญิงให้กับเจ้าด้วยดีที่สุดขาดคำร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนเดินไปตามกิ่งเถาวันอันมินเมนั้น เรากับคนธรรมดาที่เดินอยู่บนพื้นราบจนถึงครบใหญ่แล้วไตเถาวันเส้นหนึ่งที่ทอดดิ่งลงมายังพื้นดินเบื้องล่างด้วยอาการไหลเลื่อนลงมาอย่างแช่มช้าใจเดียวก็มายืนอยู่บนพื้นดินโคนต้นตะเคียนท่ามกลางแสงไฟฉายที่สาดจับรวมกลุ่มมาเป็นดวงเดียวทุกคนจับจ้องอยู่ที่ร่างนั้นตามไม่กระพริบชายันกับเชิดาขยับโดยจะพุ่งปราดเข้าไป แต่พรานใหญ่ปาดแขนกั้นไว้กระซิบห้ามร้อนรนเฉยนครับอย่าเพิ่งเข้าไปร่างที่ยืนพิงโคนต้นตะเคียนห่างออกจากทุกคนไปประมาณสิบห้าสิบหกเก้านั้นสงบนิ่งอยู่ชั่วกั้นใจ ก็เริ่มอ่อนระทวยโงนเงินไปมาแล้วล้มหวบลงไปฟุบอยู่กับพื้นและพริบตานั่นเองทุกคนรอคอยจังหวะอยู่ก็ทะลันพรวดเข้าถึงตัวเรากันนับกันไว้ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะประคองน้องสาวไวในอ้อมแขนอีกหลายคนก็ช่วยกันเขย่ากายเรียกแสดไปหมดแต่ดารินยังคงร่างอ่อนปูกเปียกดวงตาทั้งสองหลับสนิทอยู่เช่นนั้นลมหายใจแผ่วบาง เหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงสะกดของยาสลบมาเรียจับชีพจรของเพื่อนสาวตรวจดูคาหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความทุกข์กังวลชีพจรอ่อนเหลือเกินเป็นการหลับลึกแบบเดียวกับถูกยาสลบอย่าเพิ่งพยายามให้เขารู้สึกตัวตอนนี้เลยครับพี่ใหญ่เอากลับแคมป์เราก่อนเถอะเชิถฐาเงยหน้าจ้องมาที่ชัยยันกับระพินยางหารือร้อนรุ่ม น บ, บัตดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในราวไพรรอบด้านส ง, งัดเงียบราบคาเป็นดุดสนีไม่วีวแว ว, แ ว, ว, แวของความวิปริตใดๆอีกเลยกระแสะลมดึกอ่อนๆพัดกิ่งใบของตะเคียนใหญ่ไหวกระทบกันปรากฏเสียงแสกสกเป็นปกติปรากฏตการต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อครูน่นี้ดูราวกับจะเกิดขึ้นจากความฝันของทุกคน ทำตามที่เมย์บอกก่อนดีกว่าครับจอมพรานกล่าวแผ่วเบาชายันเห็นด้วยกล่าวเตือนสนับสนุนมาแล้วก้มลงอุ้มร่างอันไม่ได้สติของดารินขึ้นมาไวในอ้อมแขนแทนเชดิดาผู้ซึ่งกำลังขายังไม่แข็งแรงนักฉันอุ้มน้อยไปเองดีกว่าพร้อมกลับพูดอดีตนายทหารปืนใหญ่อุ้มดารินพานาเดินลิบายหน้ากลับไปยังที่พักโดยเร็ว ทั้งหมดก็โดยราล้อมกันตามกันมาคงเหลือแต่เพียงพรานใหญ่กับแงซ า, ายสองคนยืนนิ่งมองหน้ากันอยู่ภายใต้ร่มเงาอันมืดครึ้มของตะเคียนต้นนั้น